เริญตอนท่านอาธิการบดีสาธุชนทั้งหลายชว่วงนี้หลวงพ่อก็เริ่มมาเทศที่เชียงใหม่แล้วถี่เกินไปสุือเปล่าไม่รู้เริ่งมาเทศวัดมูมงไม่นานเองแต่ธรรมะฟังบ่อยๆอดีทีลัเราพวกเราดูหนังฟังเพนะดูแล้วดูอีกฟังแล้วฟังอีกไม่เป็นไร ถ้าฟังทํามากฟังแล้วฟังอีกบ้างนะชีวิตจะดีขึ้นวันนี้ทางผู้จัดนะคุณหมอตุรยยาทางแม่โจ้กําหนดหัวข้อให้หลวงพ่อพูดเรื่องการปฏิบัติแบบดูจิตในความเป็นจริงแล้วการดูจิตเนะี่ยมันไม่ใช่การปฏิบัติที่แยกส่วนจากการปฏิบัติอย่างอื่นมันไม่มีหรอกการปฏิบัติแบบดูไกลการปฏิบัติแบบโน้นแบบนี้นะ การปฏิบัติเนี่ยก็คือการปฏิบัตินั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าเราจะปฏิบัติแบบใดถ้าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยสุดท้ายนจะเข้ามาที่จิตไม่ว่าจะเดินมาจากจุดไหนก็ตามนะสุดท้ายจะลงมาที่จิตทางนั้นแหละเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันอยู่ที่จิตปฏิบัติเพืเพื่อสู้กับกิเลสล้างกิเลสมันก็ต้องมาล้างกันที่จิตเองเริ่มต้นจะดูกายจะดูเวทนาจะดูอะไรต่ออะไรก็ตามถ้าปฏิบัติถูกต้องมันจะลงมาที่จิต การเจริญกุศลนะอย่างโววาทะปฏิโมกท่าบอกไม่ทําบาปทั้งปวงบาปมันอยู่ที่ใจเราทํากุศลกุศลก็อยู่ที่ใจเราทำจิตให้ผ่องแผ้วมก็อยู่ที่จิตอีกนะอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจนั่นเองงันการปฏิบัติที่ว่าดูจิตดูจิตนั้นเป็นแค่สำนวนเท่านั้นแหละถ้าจะพูดให้ตรงๆนะมันคือการปฏิบัติให้มันถึงจิตถึงใจตัวเอง จะดูกายก็ต้องดูให้ถึงจิตถึงใจจะดูเวทนาก็ดูให้ถึงจิตถึงใจดูแล้วต้องล้างกิเลสได้ดูแล้วกุศลต้องเจริญได้ดูแล้วจิตต้องฝ่องแถวได้ดูแล้วศีลต้องเกิดดูแล้วสมาธิปัญญาต้องเกิดดูแล้ววิมุตต้องเกิดศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์เกิดที่จิตงั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจจะดูปายดูอะไรมากก็ได้บางคนอาจจะต้องเริ่มจากการทําสมาธิมาก่อนบางคนเริ่มจากการเดินปัญญาไปเลย แต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันเพราะพุทธเจ้านั้นที่ท่านได้ชื่อว่าภระคาวะโตท่านเป็นผู้จําแนกแจกธรรมหมายถึงว่าธรรมะนั้นมีมากมายมหาศาลแต่รู้ไหมว่าธรรมะจะมากมายมหาศาลแค่ใดสุดท้ายก็คือการพัฒนาจิตให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดนั่นเองนี่หลักการปฏิบัติเนี่ยท่านสอนเอาไว้เยอะแยะเพราะจริตนิสัยของคนนั้นแตกต่างกัน บางคนท่านก็ต้องสอนให้ทําสมาธิก่อนแล้วมาเดินปัญญาทีหลังบางคนให้เดินปัญญาก่อนสมาธิเกิดขึ้นทีหลังบางคนสมาธิกับปัญญาเกิดควบกันไปเลยแต่ว่าไม่ว่าอะไรนะสุดท้ายถ้าการปฏิบัตินั้นถ้าถูกต้องนะจะลงมาที่จิตหลวงพ่อเน้นเรื่องจิตมากเพราะว่าที่ผ่านมานะเท่าที่เห็นนะเราปฏิบัติมันไม่เข้าถึงจิตถึงใจมันเปที่วิวิัตแล้วมันไปนติดอยู่ที่รูปแบบ รูปแบบไม่สําคัญรูปแบบไม่สําคัญหรอกว่าต้องใช้รูปแบบใดใครถนัดรูปแบบอะไรใช้อันนั้นไม่ดีไม่เลวแตกต่างกันหรอกใครถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ไปใครถนัดรู้เวทนาก็รู้ใครถนัดจะดูจิตสังขารกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นก็รู้ไปใครถนัดอะไรก็ใช้อย่างนั้นแหละ แต่การภาวนานะั้นต้องภาวนาด้วยจิตที่มีคุณภาพพองัการที่พูดเรื่องดูจิต ด, ดูจิตนะั้นไม่ใช่อยู่ๆให้พวกเรามานั่งดูจิตถ้าอยากว่าจริงๆแลภาวนาให้มันได้จิตให้ถึงจิตถึงใจจริงๆคนเราอยางจะรักษาศีลอยากรักษาศีลเรารักษาที่กายที่วาจานะศีลของเรากระพร่องกระแล้งถ้าเรารักษาด้วยจิตเลยรักษาง่าย ถ้าคนเราทำผิดศีล น, นะเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นมาที่จิตมันครอบงําจิตได้ถ้าเมื่อไรเรามีสติจริงๆรู้ทันจิตใจของตัวเองจริงๆกิเลสครอบงําจิตไม่ได้คนเราจะไม่ทำผิดศีลอย่างคนทำผิดศีลได้เพราะว่าใจเป็นโลคใจเป็นโลคนะไปรักเขาไปขโมยเขาไปเป็นชู้เขาอะไรนะไปแย่งแฟนเขาแย่งสามีแย่งปัญญาเขาอะไรนะเพราะใจมันมีโลภเกิดขึ้นมีราคะเกิดขึ้ น, าานนะถ้าเรามีสติจริงๆ ราคามันจะดับสันทีถ้าราค้ามันดับไปแล้วเราไม่ทําผิดสินะหรือควรเราไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาได้ถ้าโทสะมันเกิดขึ้นถ้าเรามีสติจริงๆรู้ทันจิตใจตนเองจริงๆโทสะครอบงําจิตไม่ได้ถ้าโทสะครอมงําจิตไม่ได้ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครเห็นไหมตัวสําคัญมันอยู่ที่จิตเรานี่เองครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะชื่อหลวงปูเทเสถีหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์หลายองค์ ทางเชียงใหม่นี่ก็มีหลวงปู่สิมมีหลวงปู่บุญจันทร์ท่านสิ้นไปหมดแล้วหลวงพ่อเทศท่านเคยสอนไว้บอกว่าการปฏิบัตินอะถ้าเข้าถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติถ้าเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆนะั้นมันจะมาล้างกิเลสกันที่ใจนี่แหละกุศลมันก็มาเจริญที่จิตที่ใจนี่แหละความบริสุทธิ์ของแผ้วที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจนี่เอง การภาวนาเนี่ยไม่ว่าจะทําในรูปแบบใดก็ทิ้งจิตไม่ได้ถ้าทิ้งจิตไปก็คือทิ้งการภาวนาทิ้งสาระสําคัญไปและจิตนั่นแหละตัวเป็นสาระสําคัญนะเป็นใหญ่เป็นประธานในธรรมทั้งปวงการที่เรามาสนใจให้ความสนใจกับเรื่องจิตเรื่องใจตนเองไม่คล้ายๆว่าเรามาจับจุดสําคัญให้ได้จุดสําคัญของการปฏิบัติถ้าเราทิ้งจิตสัอย่างเดียวนะเราไม่ได้จุดสําคัญไม่ได้แกนกลางของการปฏิบัติ เช่นเราคิดว่าเราต้องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆพุทธโธไปทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างมากก็พุโทโธให้ใจสงบใจสงบแล้วจะไปทําอะไรนึกไม่ออกอีกละจริงๆแล้วมันคือการฝึกจิตทั้งสิ้นเลยจะรู้ลมหายใจจะดูท้องพองยุบนะจะทําจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนหรือจะทํากรรมฐานอะไรดูเวทนานะสายท่านโกเองก้าหรือดูเวทนาถ้าเราทําไปแบบเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองนะ เราไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรการปฏิบัติมันจะล้มลุกค ล, ลา น, นทำไม่ค่อยสำเร็จแต่ถ้าเรารู้ว่าเราปฏิบัตนะิเพื่อพัฒนาคุณภาพของจิตขึ้นไปพัฒนาคุณภาพของจิตเราจะรู้ทิธทางเราจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรงั้นคำว่าดูจิตดูจิตนะพวะเราอย่าเป็นที่ว่าเป็นวิชาใหม่ไม่ใช่วิชาใหม่ ถ้าเจริญกายถูกต้องนะทํากายานุปัสสนามาได้ก็จะเข้ามาที่จิตทําเวทนานุปัสสนาได้ก็เข้ามาที่จิตทําจิตตานุปัสสนาได้ก็เข้ามาที่จิตะเจริญธรรมานุปัสสนาได้ก็เข้ามาที่จิตอีกว่าจะต้องมาล้างกิเลสกันที่จิตนี่แหละต้องทํากุศลให้ถึงพร้อมที่จิตนี่แหละต้องทําจิตให้บริสุทธิ์ป่องแผ้วก็ที่จิตนี่แหละงั้นเราเราอย่าไปนึกนะว่าหลวงพ่อมาสอนศาสตร์ชนิดใหม่ แตกต่างจากกรรมฐานเดิมที่เราเคยทําไม่ได้ต่างจากกรรมฐานเดิมที่พวกเราเคยทาเราเคยทํากรรมฐานอะไรทํากรรมฐานอันนั้นแหละแต่ทําให้มันถึงจิตถึงใจตัวเองยกตัวอย่างเราเคยหัดหายใจเรารู้ลมหายใจเข้ารู้เราหายใจออกแต่เติมเราก็มุ่งให้จิตสงบถ้าจะรู้หลักของการดูจิตดูใจตัวเองเราจะรู้ไม่ใช่การฝึกให้จิตสงบอย่างเดียวเราต้องพัฒนาคุณภาพของจิตเป็นลําดับลําดับไป จิตที่มีคุณภาพนั้นมีศีลจิตที่มีคุณภาพนั้นมีสมาธิจิตที่มีคุณภาพนั้นจะมีปัญญาจะเกิดสี่เหล่านี้ขึ้นตอนที่ ห, หลวเข้านะไปหาโลวุปูดูลนะไปหาหลวงปูดูลครั้งแรกวันที่6กุ๊ปภาพันห้าร้อยก่อนหน้านั้นฝึกสมถะทําอานาปนานสติอยู่22่ปีได้งแต่เขวบทํ า, าทแต่อนาปนานสติหายใจไปหายใจไปทุกวัน มีเวลาเมื่อไหร่ก็มารู้ลมหายใจจิตสงบแด่ความสงบนั้นก็อยู่แค่นั้นอ่ะวันนี้สงบพวกนี้ก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็มารู้ลมหายใจใหม่รู้ลมหายใจใหม่สงบใหม่ก็วนเวียนอยู่แค่นี้เองมันไปไหนไม่รอดหลวงปู่ดูลไปเจอท่านครั้งแรกนาะท่านก็สอนเลยบอกว่าให้ดูจิตตนเองกลับมาก็มาคอยสังเกตที่จิตที่ใจตัวเองบ่อยๆการเรียนรู้จิตใจตนเองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะ เป็นจุดตั้ง ต, ต้นของการปฏิบัติเลยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ถึงจิตใจตนเองนะเราจะไม่มีสมาธิธที่ถูกต้องพวกเราเคยได้ยินคําว่าไตรสิกขาไหมศีลสิกขาใช่ไหมจิตตะสิกขาปัญญาสิกขาบทเรียนที่1ชื่อศีลสิกขาพวกเราต้องเรียนเรื่องการรักษาศีล์ต้องรักษาศีล์ถ้าเราไม่มีศีล น, นะจิตจะฟุง้งซ่านจิตหาความสุขความสงบอะไรไม่ได้ คนที่ไม่มีศีลเนะี่ยจิตจะไม่มีความสุขไม่มีความสงบดันเบื้องต้นในรักษาศีลการรักษาศีลแตเดิมเรารักษายากเพราะเรารักษาที่กายรักษาที่วาจาอยากจะด่าแล้วไม่ดา่าอยากจะตีแล้วไม่ตีรักษายากต้องข่มใจถ้าเราพัฒนาการรักษาศีลของเราเนะี่ยจะมารักษาที่ใจจะเข้ามาที่จิตที่ใจนี่เองคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปด้วยกิเลสเกิดรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันศีลนะจะสมบูรณ์ขึ้นมา การรักษาศรีลจะง่ายไม่ยากอย่างที่เคยรักษาถัดจากนั้นเราต้องมาเรียนเรื่องจิตอย่างบางคนปฏิเสธนะบอกว่าไม่เรียนเรื่องจิตไม่ดูจิตแต่บทเรียนที่สองที่พระพุทธเจ้าสอนนะชื่อจิตตสิกขาคือการเรียนเรื่องจิตนั่นเองที่บอกว่าดูจิตดูจิตนะคือเรื่องของจิตสจตสิกขาจิตตสิกขานั้นเรียนไปเพื่ออะไรนะอย่าศีลสิกขาเรียนไปเพื่อให้เกิดศีล จตศิกขาและเรียนไปเพื่อให้เกิดสมาธินี้สมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์นานาชนิดไม่เหมือนกันนะสมาธิที่พวกเราพ้นเคยนะคือจิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวเช่นเราหัดพุดโทโธจิตอยู่กับพุโทโธไม่หนีไปที่อื่นสงบอยู่กับพุโทโธ เราหัดรู้ลมหายใจจิตไม่หนีไปจากลมหายใจสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบจิตไม่หนีไปไหนเลยนะสงบอยู่กับท้องในนี้ได้สมัครสมถานะในสมถากรรมฐานสมาธิชนิดนี้ใช่ทําสมถากรรมฐานมีศัพท์เฉพาะชื่อว่าอารัมมานูปนิชฌานอารัมมานูปนิชฌานหมายถึงจิตนั้นมันเพ่งอยู่ในอารมณ์ันเดียวรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวรู้อยู่ที่พุทโธอย่างเดียวนะรู้อยู่ที่ท้องอย่างเดียวรู้อยู่ที่มืออย่างเดียว เดินจงกรมก็อาจจะรู้อยู่ที่เท้าอย่างเดียวหรือรู้อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวบางคนดูเหมือนจะเป็นดาวเทียมนะมองลงมามอมาเห็นร่างกายนี้กระดุกกระติกกระดุกติรู้อยู่ที่กายอย่างเดียวแต่ว่ารู้ทางตัวเท่งทั้งตัวสิ่งที่ได้คือสมถะสมถะจิตจะไม่ฟุ้งไปสู่อารมณ์อื่นจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวในบทเรียนในเรื่องของจิตตสิกขาเนี่ยมันจะแยกเป็นสองส่วน ส่วนที่1เนี่ยจะเรียนจกนกระทั่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเคล็ดลับเคล็ดลับในการทําสมถะนะพวกเราบางคนทําสมถะยากทั้งๆ ท, ท, ที่สมถะทําม่ยากอะไรหรอกหาอารมณ์ที่เรามีความสุขหาอารมณ์ที่มีความสบายใจคนไหนชอบพุโทโธก็พุโทโธคนไหนไม่ชอบพุโทโธนะเอาอยางอื่นก็ได้นะมีลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธโยงหนึ่งเป็นพระหลวงพ่อพุทธสอนให้พุโทโธท่านก็พุโทโธพุโทโธนะแล้วแป๊บเดียว จิตทิ้งพุโทโธไปบริกรรมชื่อแฟนถ้าแฟนตอนเป็นโยมนะแท่านหนุ่มๆท่านไปบวชแทนที่จะพุโทโธก็ไปชื่อแฟนสมมติว่าแฟนชื่อดูละยาพุโทโธพุโทโธก็เป็นดูละยาดูละยาไปนะนั้นตกใจนะั่นไปหาหลวง พ, พ่อพุทธมอว่าจิตผมมันบาปเหลือเกินทิ้งพระพุทธเจ้าไปหาผู้หญิงซะแล้วนะท่านบอกว่าจิตมันชอบจิตมันชอบคํานี้ให้บริกรรมคํานี้ไปเลยนี่ ครูบาอาจารย์นะท่านฉลาดแหลมคมถึงขนาดนี้ท่านก็ให้บริกรรมไปสมวติดุลยายาดุลยายาทุกวันเลยนะใจมันชอบคำนี้นะทีแรกบริกรรมไปมันก็เพิมมีความสุขไปเรื่อยพอใจเริ่มสงบหนุนใจไม่ฟุ้งไปที่อื่นนะอยู่กับคําบริกรรมมันเดียวก็เริ่มเกิดนิมิตขึ้นมาเห็นหน้าสาวขึ้นมานะสาวนี่ค่อยๆแก่ให้ดูค่อยๆแก่ค่อยๆเหี่ยวแล้วตายให้ดูนี่เรื่องของสมาธิ เคล็ดลับ <Lob by> ของการทําสมสถะนะให้พวกเราเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขคนไหนหายใจแล้วมีความสุขรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆจิตจะสงบคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆจิตจะสงบคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขแล้วดูท้องพองยุบไปเรื่อยจิตจะมีความสงบเกิดขึ้นเนี่เคล็ดลับมันอยู่แค่นี้เองแต่เราจะจักเคล็ดลับได้นะภาวนากันมานี่หลวงพ่อบอกให้ฟรีๆเลยให้ พกเราเราไปทําดูนะลองทาดูหลวงพ่อนะหายใจแล้วมีความสุขตั้งแต่เด็กๆหายใจแล้วมีความสุขจิตสงบเลยอยู่ตรงนี้เองตรงที่ว่าต้องรู้อารมณ์อันเดียวที่มีความสุขแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศล น, นะถ้าเป็นอารมณ์อกุศลเล่นไพ่อย่างเดียวแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยไม่มีสมาธิที่ดีหรอกหรือไปดูแข่งม้าเห็นม้ามันวิ่งนะใจไม่คลาดไปจากม้าเลยจ้องม้าตลอดเลยถ้าตายไปก็เกิดเป็นม้าตัวนั้น อย่างนี้ไม่ได้สมาธิอย่างนี้ไม่สงบต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นอารมณ์ที่มีความสุขเป็นอารมณ์อันเดียวนี่เคล็ดลับมันอยู่เท่านี้เองเนี่ยถ้าเราเรียนนะจิตสิกษาเราจะเรียนนะเราจะรู้หลักอ๋อการทําสมถธิทํามยากหรอกนี่สมาธิชนิดที่สองเนี่ยก็ต้องมาเรียนที่จิตอีกสมาธิชนิดที่หนึ่งทำสมถะเป็นสมาธิาที่ใช้ทําสมถะให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุข สมาธิชนิดที่สองไม่ใช่จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวละจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูจิตนั่นแหละเป็นคนดูอารมณ์กี่ร้อยอารมณ์กี่พันอารมณ์กี่หมื่นกี่แสนอารมณ์ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นอารมณ์อันเดียวอารมณ์นั้นเกิดทางตาอารมณ์เกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอารมณ์อะไรก็ได้แต่อารมณ์ทั้งหลายนั้นะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาถอนตัวออกจากอารมณ์ถอนตัวออกจากโลกของความคิด จิตหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นอารมณ์ทั้ ง, ง, นะงหลายทั้งปวงนัอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ใช่อารมณ์มันเดียวแล้วถ้าทําสมาธใช้อารมณ์มันเดียวทำวิปัสสนาเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายทัง้งปวงคนละแบบกันนะต้องเรียนเนี่ยตรงที่เราเรียนเรื่องจิตสิษฐาเนี่ยจะทําให้เรารู้เลยว่าจิตชนิดไหนใช้ทําสมาธจิตชนิดไหนใช้ทํำวิปัสสนา เนี่ยที่ว่าดูจิตดูจิตเราดูเพื่อจะให้เข้าใจตรงนี้แหละจิตที่ใช้ทำสมถะเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตที่ใช้เดินวิปัสสนาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งนะอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้แต่ว่าจิตเนี่ยไม่รวมเข้ากับอารมณ์ไม่เหมือนสมถะสมถะเนี่ยจิตจะไหลไปรวมอยู่กับอารมณ์อย่างพวกเราหัดรู้ลมหายใจนะเวลาเรารู้ลมหายใจสังเกตไม่ใครเคยทาอนาปานสติมีไหมยกมือให้ดูหน่อยมีไหม สังเกตไหมเวลาเรารู้ลมหายใจจิตเราจะไหลไปอยู่ที่ลมเป็นแนบเกี่ยวกับลมนั่นได้ความสงบนะเป็นสมถะลองมาปรับวิธีอีกนิดหนึ่งวิธีที่มาฝึกให้ได้สมาธิชนิดที่2คือจิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบจิตตั้งมั่นเนี่ยวิธีฝึกก็คือให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไหลตลอดเวลาไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดระหว่างไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดพวกเราดูไหมไหลไปคิดเกิดทั้งวัน ไหลไปดูมีอะไรน่าสนใจอย่างเห็นคนเดินผ่านมาเราก็ไปดูจิตเราวิ่งไปอยู่ที่เขาเวลาเราดูอะไรนะจิตเราจะไหลไปอยู่ที่นั่นข้างหลังนี้มีอะไรให้ดูบ้างลองดูรูปพระพุทธรูปลองตั้งใจดูพระพุทธรูปนะดูซิว่าเป็นศินละปะแบบไหนยอดเป็นแบบไหนยอดกลมหรือยอดแหลม สังเกตนะสังเกตดูเวลาที่เราดูพระพุทธรูปใจเราไหลไปอยู่ที่พระดูอกไหมใจเราไหลออกไปอยู่ที่พระเนี่ยเวลาเราดูนะใจเราไหลไปดูเวลาเราฟังนะใจก็ไหลไปฟังนะเวลาเราคิดใจก็ไหลไปคิดเนี่ยอะเรียกว่าใจไม่ตั้งมั่นใจไหลตลอดเวลาเราเปลี่ยนใหม่มาดูทางนี้บ้างะนะไปดูพญานาคดูซิพญานาคสองตัวเนี่ยมีความต่างกันยังไงบ้าง มีสองตัวลองตั้งใจดูนะสังเกตไห้ตอนที่เราตั้งใจดูพญานาคใจเราไปอยู่ที่พญานาคนึกออกไหมเนี่ยเวลาดูนะใจก็หลงไปดูเวลาฟังใจก็หลงไปฟังเวลาคิดใจก็หลงไปคิดพวกเรานั้นนะ่ะเวลาคิดใจหนีไปคิดตลอดใจเราไม่เคยเป็นผู้รู้นะผู้รู้กับผู้คิดนะ่ะตรงข้ามกันถ้าเมื่อไรเป็นผู้คิดเมื่อนั้นไม่เป็นผู้รู้ เมื่อใดเป็นผู้รู้เมื่อนั้นไม่เป็นผู้คิดให้เราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะระหว่างหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดเนี่ยหลงไปคิดเกิดบ่อยที่สุดนึกออกไหมคิดทั้งวันมีใครไม่คิดบ้างวันนี้ใครยังไม่คิดเลยมีไหมมีนะใครไม่อาบน้ำเนี่ยมีใช่ไหมใครยังไม่ได้เข้าห้องน้ํามีแต่ใครไม่คิดเนี่ยไม่มีแล้วจิตนี่ชอบหลงไปคิดให้เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดบ่อยๆนะ จิตมีจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้เนี่ยที่ว่าดูจิตดูจิตเนี่ยดูอย่างนี้นะดูจิตอันแรกเลยคือรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันสิ่งที่จะได้คือศีลดูจิตอย่างที่สองนะถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันจิตนีไปคิดแล้วรู้ทันจะได้สมาธิชนิดที่สองคือสมาธิที่จะใช้ทําภิปัสฐานเพราะฉะนั้นพวกเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึก เพราะเรามีสติคอยรู้ทันจิตตนเองบ่อยๆกิเลสเกิดคอยรู้ทันกิเลสเกิดคอยรู้ทันศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นถัดจากนั้นเราค่อยมาฝึกตัวเองต่อเรื่องสมาธิเนี่ยสมา ธ, มาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่พวกเราฝึกกันมาเยอะและ้วหัดพุทโธหัดหายใจหัดอะไรเนี่ยมีมาเยอะและ้วแล้วมาฝึกสมาธิชนิดที่สองคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดรู้ทันจิตที่หลงไปคิดบ่อยๆนะจิตเจบกลายเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน คำว่าพุทธะพุทธศาสนาพุทธนะพุทธะพุทธะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตนี่สิคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่ร่างกายหรอกที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพระพุทธเจ้ายังเคยสอนพระวัตรินะพระวัตรีชอบเที่ยวเดินดูพระพุทธเจ้าเลยท่านบอกว่าถึงมาเดินดูท่านทั้งวันมาจับชายชีวรท่านอยู่ยังไม่เห็นตัวจริงของท่านไม่เห็นพุทธะ พุทธาก็คือตัวจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานั่นเองแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดบ่อยๆนะหลงพ่าฝากชาวเชียงใหม่ไว้นะหรืง ช, ชาวจังหวัดอื่นใกล้เคียงที่มากันที่นี่จิตหลงไปคิดแล้วคอยรู้แล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนกล้าท้านะชีวิตจะเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆแลนะ้ไม่ใช่เปลี่ยนเลวลงนะเปลี่ยนดีขึ้นถ้าคอยรู้ทันจิตตนเองบ่อยๆชีวิตจะเปลี่ยนจากคนถือศีลไม่ได้ก็จะถือศีลอย่างง่ายๆ จะคนไม่เคยสงบก็จะสงบง่ายจะคนเป็นผู้คิดอย่างเดียวไม่เคยเป็นผู้รู้ก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเน่เพราะงั้นเราหัดรู้ทันจิตเรื่อยๆเราจะได้ศีลเราจะได้สมาธิหลังจากนั้นพอได้สมาธิจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนะ่ไม่หยุดอยู่แค่นั้นต้องมาเจริญปัญญาต่อนะจะได้ครบหลักสูตรของพระพุทธเจ้าศีล ส, สมาธิปัญญาวิธีจะฝึกให้มีปัญญานะใช้สติสติเป็นตัวรู้ทัน ให้มีสติรู้นะความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้ไว้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวตลอดเวลานะสังเกตดูสิจิตไม่มีใครหยุดนิ่งนะจิตเคลื่อนตลอดเวลาการฝึกให้จิตหยุดนิ่งนะเรื่องของสมถกรรมฐานการฝึกให้เห็นความจริงว่าจิตเคลื่อนไหวตลอดเวลานี่วิปัสสนากรรมฐานนะคนละแบบกันนะไม่ได้ฝึกให้นิ่ง ฝึกให้นงฝึกให้สงบเป็นเรื่องของสมถนะถ้าฝึกให้เห็นวิปัสนาทำวิปัสนานะเห็นไตรลักษณ์อย่าไปกดให้นิ่งปล่อยให้มันทํางานปล่อยให้ร่างกายทํางานปล่อยให้จิตทํางานในขั้นของศีลสิกศีรจิตสิกขาเนี่ยเราทิ้งจิตไม่ได้นะทิ้งจิตไม่ได้มีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตศีลที่ดีงามจะเกิดขึ้นมีสติรู้ทันนะจิต จิตสงบลงไปรู้ทันจิตฟุ้งซ่าน ร, รู้ทันนะจิตไหลไปคิดรู้ทันเราจะได้สมาธิขึ้นมาพอเราได้สมาธิเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคราวนี้ถึงขั้นสำคัญมากและขั้นการเจริญปัญญาถ้าไม่เจริญปัญญานะียยังไม่คุ้มค่าที่เกิดมาเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าของเรานี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าธรรมดาพระพุทธเจ้าของเรานะีเป็นพระพุทธเจ้าชนิดปัญญาที่กลับ เปรี่ยมด้วยปัญญานะท่านหลุดพ้นด้วยปัญญาจะต่างกับพระสีอานนะพระสีระยะเมตรตรจะเป็นพระพุทธเจ้าชนิดที่เรียกว่าวิริยาทิกะใช้ความเปลี่ยนมากใครเคยได้ยินนิยายโบราณบอกว่าที่มีพี่น้องกันนะอธิษฐานดอกบัวของใครบานก่อนถ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนนิยายโบราณนี้ใครเคยได้ยินบ้างไหม แล้วก็บอกว่าพระพุทธโคโดมเรานี่แหละเป็นขโมยดอกบัวของพระศรีอานพระศรีอานบําเพ็ญมาก่อนนะแต่พระโคโดมได้เป็นขโมยดอกบัวงท่านมาโอ้ตรท่านไม่ถือศีลท่ายั้นท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกนิยายเรื่องนี้ใช้ไม่ได้นะแต่ทําไมพระศรีอานบําเพ็ญบารมีนานท่านเป็นพระพุทธเจ้าอีกชนิดหนึ่งใช้ความเพียรเอาในขณะที่พระพุทธเจ้าของเราใช้ปัญญาใช้ปัญญานํานะ พวกเราถ้าอยากภอวนาให้สบายเนี่ยเรามาเดินด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆริ ง, จ, รงจะไปเร็วถ้าใช้ความเพียรนั่ก็นั่งสมาธิเดินโจงกรมทําไปเรื่อยนะหลายปีทํากันนานกว่าจะจับหลักขึ้นมาได้แต่ถ้าเรียนหลักให้แม่นเสีย ก, ก่อนแล้วไปเดินปัญญาฝึกจิตตนเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาถ้าวันไหนมันไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมั่วซั่วแล้วดูอะไรไม่รู้เรื่องทําสมถะทําความสงบสมถามีประโยชน์เอาไว้พักผ่อน ถ้าไม่ทําสมาทาเลยนะไม่มีแรงจิตไม่มีกําลังพอที่จะเดินปัญญางั้นทําความสงบบ้างวิธีทําความสงบง่ายๆนะไหว้พระส่วนมนต์เรื่อยๆส่วนมนต์บ่อยๆจิตก็สงบนะจิตคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆจิตก็สงบลนะไม่ถึงขนาดต้องเข้าฌานได้ทุกคนก็ได้ไม่จําเป็นขนาดนั้นถ้าเข้าได้ก็ดีแต่การเข้าฌานก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้านี่พอจิตมันมีเรี่ยวมีแรงมีความสงบแนละ้วมาฝึกให้มันตั้งมั่น วิธีฝึกให้ตั้งมั่นคือรู้ทันที่มันไหลไปมันลงไปคิดถัดจากนั้นมาเดินปัญญานะรู้ทันตรงการเดินปัญญาเนี่ยไม่มีสายกายสายจิตอีกต่อไปแล้วตรงศีลตรงสมาธินะั้นเน้นในการฝึกจิตให้เกิดศีลเน้นเ้นการฝึกจิตให้เกิดสมาธิแต่ในขั้นการเจริญปัญญาเนี่ยสติระลึกรู้รูปก็เห็นรูปแสดงไตรลักษณ์นีสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์ สติระลึกรู้จิตจิตสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็แสดงไตรลักษณ์ไม่มีสายกายสายจิตไม่มีอีกต่อไปแล้วในขั้นการเดินตัญญานะเพียงแต่ว่าบางคนถนัดดูกายใช้กายเป็นหลักบางคนถนัดดูเวทนาใช้เวทนาเป็นหลักบางคนถนัดดูจิตใช้จิตเป็นหลักแต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นดูกายก็เห็นจิตดูจิตก็เห็นกาย ดูเวทนาก็เห็นกายดูเวทนาก็เห็นจิตมันเนื่องกันไปหมดเลยนะเหมือนเรามีโต้อยู่ตัวนะเราดึงขึ้นมามุมใดมุมหนึ่งโต้ก็เคยื่อนได้นะโตเ้เล็กๆนะโตะใ้ใหญ่ๆไม่ไหวเหมือนกันงั้นเราดูเข้าไปที่มุมใดมุมหนึ่งนะดูรูปก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูสังขารก็ได้ดูเข้าไปถึงตัวจิตเลยก็ได้นะเราจะเห็นไตรลักษณ์งั้นการเดินปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องดูจิตอีกต่อไปลนะ้การดูจิตจริงๆมันอยู่ในบทเรียน เรื่องศีลสศิกขากับจิตศิกยาพอถึงขั้นเจริญปัญญาคนไหนถนัดรู้กายเอากายเป็นหลักเป็นหลักเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมหมายถึงเป็นบ้านวิหารคือบ้านนะเหมือนบ้านเป็นบ้านให้จิตอยู่คนนี้ถนัดรู้กายรู้กายบ่อยๆถ้ารู้กายเป็นรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็จะรู้จิต ด, ด้วยแม้ก่อนที่เราจะมารู้กายเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก่อน ดังนะั้นมีจิตเป็นคนดูก่อนพอมีจิตเป็นคนดูแล้วดูกายก็จะ <fur> เห็นเลยร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นได้เป็นไตลักเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะไม่ใช่ตัวเราเรกเป็นวัตถุเฉยๆมาดูเวทนาก็จะเห็นเองความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดในกายนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไหมมีจิตเป็นคนรู้ จิตเป็นคนรู้เนี่ยเราฝึกได้มาจากบทเรียนที่ชื่อจิตตศิกขาฝึกให้ได้จิตผู้รู้ก่อนนะแล้วมาเดินปัญญาพวกเราหลายคนนะก็โดดข้ามขั้นอยู่ๆรักษาศีลห้าอารัตนาศีลเสร็จแล้วก็ถือว่ามีศีลห้าแนละ้วยังไม่ได้เรียนจริงเลยศีลจะพร้องกับแท่งหรอกนะอย่างนั้นพอรักษาอารัตนาศีลเสร็จนะก็มาเดินปัญญาเลยมารู้รูปรู้นามเลยเราข้ามบทเรียนสําคัญไปแล้วข้ามบทเรียนชื่อจิตตศิกขาเราไม่ได้เตรียมความพร้อมของจิตที่จะให้เดินปัญญา จิตไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตไม่ได้มีความสงบพอไม่ได้มีความตั้งมั่นพอถ้าไม่มีความสงบพอไม่มีความตั้งมั่นพอไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงนะนะะเราต้องฝึกจิตนะฝึกที่ว่าดูจิตดูจิตนะัคือฝึกจนกระทั่งจิตนั้นะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้จิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเห็นไหมมันไม่ใช่วิธีปฏิบัติใช่ไหมไม่ใช่รูปแบบการปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งต่างหากจากการดูกายคนละเรื่องกันนะ มันคือการเตรียมความพร้อมให้จิตพร้อมที่จะเจริญปัญญาเท่านั้นเองนี่พอจิตเราพร้อมเราก็ดูไปคนไหนถนัดรู้กายก็รู้กายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูคนไหนชอบรู้ลมหายใจก็เห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูเวลาเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะจะไม่รู้สึกว่าเรายืนเดินนั่งนอนแต่จะเห็นรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้ว เวลารู้ลมหายใจก็จะเห็นร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้านี่มันจะถอนความเป็นเราออกมันจะเห็นแต่ว่ารูปธรรมมันเคลื่อนไหวไปจิตเป็นแค่คนดูอยู่เฉยๆแต่ถ้าเมื่อไร่จิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดพอเห็นร่างกายหายใจมันจะรู้สึกว่าเราหายใจเห็นร่างกายยืนมันจะรู้สึกว่าเรายืนความเป็นเราเนี้ยเกิดจากความคิด ในความเป็นจริงแล้วตัวเราไม่มีความเป็นเราเกิดจากความคิดทั้งนั้นเองเพราะฉั้นเราถึงต้องฝึกจิตสิกขาหารู้ทันจิตจนจิตหลุดออกจากโลกของความคิดจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาได้พอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วดูกายจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราดูเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายจะเห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายไม่ใช่ตัวเราดูเวทนาทางใจความรู้สึกสมมัตโทมมานัอดีมีความสุขมีความทุกข์ทางใจ หรืออุเบกขาทางใจก็จะเห็นเลยความสุขความทุกข์แล้วก็ความเฉยเฉยทางใจก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเรานี่หัดดูไปเรื่อยหรือเวลามาดูจิตเคยได้ยินคำว่าจิตตานุปัสสนาไหมจิตตานุปัสสนาพระพุทธเจ้าสอนถึงจิตนะแต่ไม่ใช่ให้ไปดูตัวจิตนะไม่ใช่ดูตัวจิตจิตตานุปัสสนาท่านสอนนี้ จิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมดูไปที่จิตตสังขารคือดูไปที่ความปรุงของจิตจิตมีราคะตัวราคาเป็นความปรุงของจิต you ถ้าดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเห็นว่าราคาเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาราคะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่เป็นคนรู้นั้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อีกเป็นธรรมชาติที่รั่วหลอมเท่านั้นเอง เวลาจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะเนี่ยท่านสอนจิตตานุปัสสนาอย่างนี้จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ใช่รู้ว่าเราโกรธไม่มีเรานะจิตมีโทสะรู้ว่าจิตมันมีโทสะไม่ใช่เราโกรธจะเห็นเลยโทสะกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันแยกกันเหมือนอย่างเห็นร่างกายกับจิตแยกออกจากกันเห็นความรู้สึกสุขทุกความรู้สึกเฉยเฉยกับจิตแยกออกจากกัน เห็นความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่กับจิตเนี่ยแยกออกจากกันจะแยกออกนะถ้าจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูจริงๆนัขันนัมันจะแยกตัวออกไปถ้าขันมันแยกออกไปแล้วแต่ละขันนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ดูกายเห็นอะไรดูกายเห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาเห็นอะไรดูเวทนาเห็นไตรลักษณ์ดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลเราจะเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นอันเดียวกันนะ เพราะงั้ไม่ว่าจะเริ่มต้นมาจากการดูกายดูเวทนาหรือดูจิตนั้สุดท้ายจะไปเห็นสิ่งเดียวกันมากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นเนะช่นร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่ยืนก็ยืนอยู่ชั่วคราวเห็นไหมร่างกายนั่งก็นั่งชั่วคราวร่างกายนอนก็นอนชั่วคราวเนี่ยทุกอย่างหมุนไปเรื่อยเกิดดับไปเรื่อยนะร่างกายสุขร่างกายทุก็ชั่วคราว จิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเฉยเฉยก็ชั่วคราวจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่ก็ชั่วครา ว, ด, า ว, ราวดูไปดูไปก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวการที่เราหัดทํำวิปัสสนากรรมฐานนี่เพื่อมาเห็นตรงนี้เห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันทนอยู่ไม่ได้ทุกอย่างมันบังคับไม่ได้นะคือเห็นใจรักนั่นเองถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะใจจะค่อยปล่อยวางจะไม่ยึดถือในรูปในนาม ดูกายเห็นจิตดูจิตเห็นกายนะไม่ใช่ว่าเห็นอันเดียวเพราะว่าจิตเป็นคนดูอย่างเรารู้กายเนี่ยจิตเป็นคนไปรู้เราเห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมรู้สองันนะไม่ใช่มีแต่กายถ้าเหลือแต่กายอันเดียวสมถะนะจิตไหลไปรวมเข้ากับกายแล้วเป็นสมถะถ้าจิตแยกออกมาอยู่ต่างหากเห็นกายอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหากแยกกันจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่เราจะล้างความเห็นผิดไป งันจิตที่จะเดินวิปัสสนาได้นะต้องถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ให้ได้ถ้าจิตยังหลงอยู่ในโลกของความคิดทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนานั้นคิดเอาไม่ได้วิปัสสนาต้องรู้เอานะงั้นเราค่อยๆฝึกเอานะนี่ดูจิตดูจิตต้องระวังนะดูจิตดูจิตจิตตสิกขาเนี่ยดูเพื่อให้จิตมีสมาธิขึ้นมาสมาธิมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งสงบชนิดที่สองตั้งมั่นนะพอจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้ว มาเดินปัญญาเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสังขารเห็นในต่อไรเห็นขันห้านั่นแหละแสดงไตรลักษณ์นี่เรียกว่าปัญญานี่บางคนไปดูจิตดูจิตนะตอนหลังๆนี้พูดกันมากเลยแต่เดิมไม่มีคนพูดเรื่องดูจิตนะหลวงพ่อไปพูดขึ้นก่อนแล้วดูจิตดูจิตจำจริงเรียนมาจากครูบาอาจารย์อีกทีหลวงพุทดุลสอนก็ดูจิตนะหลวงปท่เทสก็ให้ดูจิตตัวเองเลหลาองค์สอนอย่างนั้นมาสอนหลวงพ่อมาอีกทีเราวอามาพูดขึ้นตอนนี้ใครๆก็ดูจิตขึนใจ แต่ดูจิตแล้วมันไม่ใช่ดูจิตแล้วกลายเป็นติดสมถะรมถะดูจิตแล้วจิตไม่ถอนตัวมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูจิตที่ผิดเนี่ยผิดได้สี่แบบดูจิตที่เป็นสมถะนะมีสี่แบบไม่ใช่หลวงพ่อสอนนะพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วแม้ธรรมะทั้งหลายนะั้นหนีไม่พ้นสิ่งที่ท่านสอนไปแล้วดูจิตชนิดที่หนึ่งที่ผิดนะเคยเพ่งความว่างเคยได้ยินไหมว่าให้น้อมใจไปหาความว่าง ไม่เยอะอะไรนะว่างๆอยู่ว่างๆหัดดูจิตที่บอกให้ให้ทาจิตให้ว่างการที่น้อมจิตไปสู่ความว่างมีชื่อเฉพาะนะชื่ออากาสานัญจายตนะใครเคยได้ยินคาว่าอากาสานัญจายตนะบ้างนี่ต้องอ่านหนังสือเยอะหน่อยถึงจะได้ยินมันคือการเพ่งช่องว่างเพ่งช่องว่างเพ่งความว่างนะพวกเราลองหลับตาดู เราสังเกตไหมใ น, ในจิตใจเรามีส่วนที่ไหวๆกับส่วนที่ว่างๆลองหลับตาแล้วสังเกตที่จิตเห็นไหมมีทั้งส่วนที่เคลื่อนไหวแล้วก็ส่วนที่ว่างๆนิ่งๆอยู่เนี่ยบางคนบอกดูจิตดูจิตนะก็ไปเพ่งไอ้ช่องว่างให้เพ่งความนิ่งตัวนี้เมื่อเราขึ้นมานะตรงนี้ห้ามไปนะช่องทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนนะคือเส้นทางที่อาราธดาบทแล้วทักระดาบทนะสอนพระพุทธสอนเจ้าชายสิทธัตถะหมายจริง แล้วท่านพวกว่าไม่ใช่ทางงั้นดูจิตอย่าไปดูจนติดความว่างนะหรือบางคนเห็นกิเลสนะเห็นกิเลสเกิดดับเกิดดับดูกิเลสเกิดดับสักพักเดียวนะจิตมันเคลื่อนออกไปจิตมันไม่ตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วพอกิเลสดับนะมันว่างว่างเสร็จแล้วเลยติดอยู่ที่ว่างข้างหน้าเนี่ยที่ว่าดูจิตดูจิตแล้วไปติดว่างอยู่ข้างหน้าเนี่ยเยอะเลยนะต้องระวังนะถ้าจิตตรงนี้แล้วก็ติดในความสว่างว่า ง, างตัวนี้เป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งชื่อโอภาส มีปัสนุวกิเลสจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตทวนกระแสกลับเข้ามาตั้งมั่นนะมิปัสนุก็หายมิปัสนุนะ้นเกิดจากจิตไม่มีสมัครที่ฟอไม่ตั้งมั่นฟองั้นเราดูจิตต้องระวังนะทุกวันนี้ใครๆก็พูดเรื่องดูจิตแต่มันดูไม่ถึงจิตถึงใจไม่รู้ว่าจะดูไปทําไมแม้ที่หลวงพ่อบอกพวกเราดูมีวัตถุประสงค์ทางนั้นใช่ไหมอย่างถ้าเรารู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่จิตเราจะได้ศีลถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิด เราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยรู้ต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรไม่ใช่ดูจิตดูไปเรื่อยๆหวังว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานดูไปดูไปไปหลงก็ดูความว่างนี่พวกที่หนึ่งะไปดูว่างๆดูว่างพวกที่สองเริ่มฉลาดขึ้นอีกหน่อยเห็นว่าถ้ายังไปดูว่างเนี่ยไอ้นี่จะเป็นของถูกรู้อีกยังดูไม่ถึงจิตเลยมาดูจิตผู้รู้มาเพ่งใส่ตัวจิตผู้รู้ ทันทีที่ไปเพ่งใส่ตัวจิตผู้รู้นะมันจะเกิดตัวผู้รู้ซ้อนขึ้นอีกตัวหนึ่งตัวผู้รู้ตัวแรกเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้จะเกิดตัวผู้รู้ที่สองขึ้นพอไปดูตัวผู้รู้ที่สองขึ้นจะเกิดตัวผู้รู้ใหม่ตัวที่3ตัวที่2นั้นกลายเป็นตัวถูกรู้อีกแล้วที่วิญญาณตัวจิตเนี่ยเบียดเมื่อวิญญาณมันจะซ้อนซ้อนซ้อนเข้าไปวิญญาณจะเป็นอนันต์ใครเคยได้ยินวิญญาณนังอนันตังเคยได้ยินคําว่าวิญญาณัญจายตนะไหม นี่แหละคือวิญญาณนันจายตนะพวกที่ไปดูความว่างแล้วติดอยู่ที่ความว่างนิ่สติงติดในสิ่งที่ถูกรู้แต่ว่าสิ่งที่ถูกรู้นี่ว่างนี่อรูปชนิดที่หนึ่งรูปอรูปที่สองที่ดูจิตผิดอันที่สองคือมาเพ่งตัวจิตเมื่อเพ่งตัวจิตนะใครเป็นอรูปชนิดที่2ชื่อวิญญาณนันจายตนะพวกที่สฉลาดกว่านี้อีกเห็นว่าถ้าเพ่งอากาศเพ่งช่องว่างนะอันนี้ถูกรู้ช่องว่างถูกรู้ก็เป็นภาระ เพ่งจิตก็เป็นภาระเลยไม่เพ่งอะไรเลยทิ้งมันทั้งสองฝั่งไม่เอาอะไรสัอย่างเดียวชื่อว่าอากินจัญญายตนะใครเคยได้ยินชื่ออากินจัญญายตนะได้ยินแต่ชื่อนะสภาวะเนี้ยหายากนะกดูยากเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังติดในว่างอันเนี้ยเป็นอารมณ์ว่างมาเพ่งตัวจิตอันเนี้ยมาติดตัวผู้รู้ติดตัวิัญญาณ น, นะอันที่สามไม่เอาทั้งความว่างไม่เอาทั้งจิต เอาความไม่เอาอะไรเลยตอนนี้ก็มีการสอนกันเยอะนะสอนบอกว่าไม่ยึดอะไรสักอย่างไม่ยึดอะไรสักอย่างนะมีชีวิตแบบไม่ยึดถืออะไรเลยความจริงยึดถือคอนเซ็ปต์ว่าจะไม่ยึดอะไรเลยยึดนั่นแหละไม่ใช่ไม่ยึดกลายเป็นยึดอย่างที่สามอรูปชนิดที่สไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วบอกว่านี่แหละพระอรหันต์อากินจัญญายตนาคล้ายพระนิพพานคล้ายกันนิพพานเพราะว่าเหมือนกับไม่ยึดอะไรต่างกันนิดเดียวนิพพานไม่ใช่พบ แต่อากินจัน ย, ยัตยตนะเป็นภพอีชนิดหนึ่งจิตยังติดอยู่ติดอะไรติดความไม่เอาอะไรเลยนะต้องระวังนะนี่พอจิตไม่มันอยู่กับความไม่มีอะไรนานเข้าไม่มีอะไรให้หมายมันว่างมันไม่มีอะไรจะให้หมายรู้นะตัวสัญญาจะอ่อนกําลังลงในที่สุดมันจะเข้าอารูปตัวสุดท้ายชื่อเนวสัญญาณาสัญญายตนะใช่ไหมถ้าดูจิตผิดนะจะไปเป็ น, ป น, ปนลูกศิษย์อาลาลาดาบทอุทธกาดาบทไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรอก ถ้าโดูจิตถูกนะก็จะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเอามาเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานตอนนี้คนสอนวิปัสสนา ก, ก็มีเยอะนะมีหลายสายหลายสำนักแต่ว่าพวกเราใจร้อนอยู่ๆก็โดดไปทําวิปัสสนาเลยไม่ได้มีจิตที่มีคุณภาพพอที่หลวงพ่อมาพร่ำสอนทุกวันนี้นะสอนพวกเราเพื่อจะให้เกิดจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาพอเรามีจิตที่เป็นผู้รู้แล้วนะใครถนัดทํำวิปัสสนาแนวไหนนะทำไปได้ทุกแนว นึกออกอย่งว่าการดูจิตไม่ใช่แนวการปฏิบัติอีกแนวหนึ่งไม่ใช่การปฏิบัติอีกแนวหนึ่งนะเราใช้แนวอะไรก็ได้แต่เราปฏิบัติมีปัสจุบกรรมฐานแนวไหนก็ได้แต่ปฏิบัติ ด, ด้วยจิตที่เป็นผู้รู้เท่านี้เองที่หัดดูจิตดูจิตนั้นก็เพื่อฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลุดออกจากโลกของความคิดเท่านั้นเองแหละนะพอเข้าใจยัง ั้นถ้าใครบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนให้ดูกายหรือสอนให้ดูจิตถ้าเรียนไม่ดีนะก็จะบอกหลวงพ่อประโมทสอนให้ดูจิตความจริงไม่มีสายกายสายจิตหรอกถ้าถ้าจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าเบื้องต้นต้องเรียนเรื่องจิตจะชอบหรือจะไม่ชอบก็ต้องเรียนเราบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนะศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วถึงจะถึงปัญญาสิกขานะต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะ อยู่ๆเจริญปัญญาเลยเอาแล้วกําหนดรูปกําหนดนามเลยเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปกําหนดรูปนามกลายเป็นเพ่งรูปเพ่งนามนะไม่ทําวิปัสสนานะกลายเป็นสมถะเลยรู้รูปนามไม่เป็นวิปัสสนานะใครไปคิดว่ารู้รูปนามแล้วจะเป็นวิปัสสนาไม่เป็นต้องรู้ไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาจิตจะเห็นไตรลักษณ์ได้ต้องมีสมาธิหนุนหลังในอรพิธรรมท่านถึงสอนบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา สมาธิตัวนี้หมายถึงรักขณูปนิชฌานจิตที่ตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่สมาธิเคลิ้มเคลิมสมาธิสงบสงบอย่างนั้นไม่เห็นไตรลักษณ์สมาธิมีสองอันอันหนึ่งสงบอันหนึ่งตั้งมั่นสมาธิที่ตั้งมั่นนี่แหละถึงจะทําให้เราเห็นไตรลักษณ์เนื่อที่หลวงพ่อสอนดูจิตดูจิตเพื่อจะให้พวกเรามีจิตที่ตั้งมั่นเมื่อเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้หลุดออกจากโลกของความคิดแล้ว ใครถนัดทำวิปัสนาแนวไหนทำไปเลยใช้ได้เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าไม่มีจิตที่มีคุณภาพนะฝึกแนวไหนก็ผิดเหมือนกันกลายเป็นเพ่งหมดกันรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจรู้ท้องก็เพ่งท้องรู้เท้าก็เพ่งเท้ารู้มือก็เพ่งมือไปรู้เวทนาก็นั่งหาทางละเวทนาทำไงจะชนะเวทนาหาทางดับหนึ่งไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานหรอกนะอาคอนิสพอสมควรนะสรุปได้ไหมดูจิตดูจิต ดูจิตเพื่ออะไรดูจิตแล้วได้อะไรดูจิตแล้วได้ศีลดูจิตแล้วได้สมาธิเ ม, มื่อมีศีลมีสมาธิแล้วไปเจริญปัญญาเห็นความเกิดดับของรูปนามนะใครถนัดดูกายดูกายเป็นหลักก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งจิตใครถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาเป็นหลักก็ จ, จะเห็นกายด้วยเห็นจิตด้วยใครถนัดดูจิตก็จะเห็นกายเห็นเวทนาด้วยไม่ใช่เห็นนั่นเดียวหรอก อ่ะต่อไปได้ข่าวว่ามีถามเชิญมีเวลาประมาณคนละสองนาทีนะ่างคนเล่านิยายนะเล่าม า, <ร>าตั้งแต่เด็ก น, นะยค่ะกับมาัตการหลวงพ่อคะ่ะก็ได้อธิษฐานจิตไว้แล้วก็ได้มาวันนี้เลยคะ่ะคือเออหนูหนูตอนนี้หนูยังไปไม่เป็นตรงที่ว่าหนูดูเวทนาของกายนะคะแล้วก็คคือรู้สึก อย่างแรงว่ามันมีแบบกระแสพลังงานหรือเซลล์ที่ไหลไปไหลมา mm hmm. แล้วพอรู้เสร็จออพอทําสมาธิเสร็จก็จะแผ่เมตตาใช่ไหมคะแล้วพอแผ่เมตตาิทธิจจิตมันก็ว่างๆแล้วอยู่ดีมือนึงมันก็ก็แกว่งไปแกว่งมาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วหนูก็แต่หนูก็รู้ว่าไม่ได้มีอะไรสิงอยู่อะคะ่ะแต่ว่า mm hmm. <laughs> ก็ไปไม่เป็นว่าเราก็ดูอยู่อย่างนั้นว่า ทำไมมือมันแกว่งไปแกว่งมาแต่ก็ไปต่อไม่เป็นเนะะี่ยค่ะฝึกให้ได้ตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนนะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยไม่ใช่นิ่งๆผิดปกติจิตนิ่งไหมจิตเวลาปฏิบัติจิตจะนิ่งๆไหมมันก็มีที่ว่านิ่งเหมือนกันถ้าเราประคองจิตให้นิ่งนั้นเป็นสมถะ พอเป็นสมถะแล้วนะเห็นเมตนานะใจก็นิ่งๆเฉยๆรู้สึกว่าเป็นกลางจริงๆเป็นกลางเพราะประคองจิตไว้นะหรือประคองมากๆเนี่ยบางทีจิตใต้สํานึกทํางานขึ้นมานะั่งดุกระดีกอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไปแทรกแซงละนะจิตเรายังไม่ใช่ผู้รู้แล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลจริงนะจิตจะไม่มีน้ําหนักเลยจิตจะเบาสบายแต่ถ้าจิตที่เราประคองนะถ้าประคองนิดหนึ่งก็หนักละ จะมีน้ำหนักขึ้นมาหนักบ้างไหมเวลาน่ะไปปรับตัวนี้แร ะ, แะคือ <ไป S 2> หมาย<ล>ว่าถ้าจิตว่างจิตนิ่งปุ๊บคือให้ให้รู้ว่าตอนนี้จิตนิ่งอยู่อย่างนี้หรือใช่คอยรู้ทันจิตของตนเองเช่นพอมันนิ่งขึ้นมาแล้วแต่เติมนิ่งแล้วพอใจรู้ว่าพอใจค่ะต่อไปเนี่ยเริ่มนิ่งชักกลัวแล้วแล้หลวงพ่อบอกว่าอย่างนี้ไปติดสมถะนะพอนิ่งขึ้นมาจิตไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเรารู้ทันจิตตนเองนะ ผมพ่อค่ะแล้วนิดนึงนะคะคือเราอย่างเราเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเราก็มีสามารถดูกายกับจิตไปพร้อมกันแล้วอยากทราบว่าถ้าเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้ค่ะเขาไม่มีกายแล้วแล้วเขาจะสามารถบรรลุเทวดามีกายอ๋อเหรอคะแต่ว่ากายท้อมันสวยมันงามใช่ไหมดูยากกว่ามนุษย์นะแล้วก็ต้องไปดูจิตเอาแล้วเทวดามีโอกาสบรรลุธรรมถึงพานิพานไหมคะมีมีสิอ๋อนี่กะเป็นเทวดาใหเป็นเทวดาหลังจากพบนี้ เอาให้ได้ธรรมะในขั้นนี้ก่อนนะแล้วไปเป็นเทวดาแล้วพอกรน่างง่ายนะถ้าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยนะขนาดมีอุปกรณ์การเรียนพร้อมหรือยังไม่ได้เลยเป็นเทวดานะอุปกรณ์หายไปส่วนหนึ่งจะดูกายนะเห็นจะสุขสบายสวยงามเที่ยงกวนะ่าจะเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงนะตอนใกล้าตายแล้วเวลาเทวดาจะตายแนละ้วเพื่อนจะบอกตั้งใจไว้นะตั้งใจไว้ขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะ มนุษย์เราทั้งหลายตอนจะตายเพื่อนบอกตั้งใจไว้นะไปเป็นเทวดา <c oughs> ไม่เอานะครอบครอบนะถามไว้ก่อนเทวดาบรรลุไหมเทวดาบรรลุเยอะกว่ามนุษย์อีกแต่ว่าหมายถึงว่าตอนเป็นมนุษย์นะ่ะเขาฝึกมาแล้วนมาสการป้าจานคะ่ะก็ฟังซีดีมาห้าปีนะคะแต่ไม่เคยส่งกันบ้านครั้งนี้เป็นครั้งแรก ดูมาล่าสุดเนี่ยจะมี2คําถามนะคะคำถามแรกก็คือว่าดูไปนานๆเนี่ยกลายไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้ น, น่ะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะคะทางจิตส่วนในแง่ากายคอนโทรลไม่ได้ก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่าอ๋อนี่ใช่ไหมคะที่เราเรียกว่าไม่ใช่กายแล้วก็จิตของเราคำถามแรกนะคะส่วนคำถามที่สองนะคะพอฝึกไปนานๆเข้าจิตนิ่งมากไม่ว่าเราจะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งเรามีการลงโทษคนที่ผู้ร่วมงานเราจิตเราจะนิ่งสามารถลงโทษได้โดยที่จิตเรานิ่งมากเรย ม, มีความรู้สึกว่าเอเราด้านไปหรือเปล่าอ<ข>เอาอันแรกใหม่ซื้ลืมแล้วเราแก่แล้วจำไม่ได้นานดูอ่อดูจิตเป็นานานเข้ารู้สึกว่าขัดแย้งกับสิ่งที่เราต้องต้องเราไม่ต้องการเป็นแบบนั้นแต่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ กายก็เช่นเดียวกันอะไรที่ไม่อยากได้ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าคิดเองหรือเปล่าที่บอกว่ากายไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเราคือถ้าก า, กาวนาถ้าภาวนาเป็นนะแต่เติมหัดแรกๆเนี่ยจะมีความสุขเยอะเลยแต่พอสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเนี่ยพบว่าความสุขเป็นภาพหลวงตานะขันทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยจะเห็นอย่างนี้นะนั้นภาวนาสุดท้ายจะเห็นทุกข์ไม่ใช่เห็นสุขหรอกนะแต่อันที่สอง จิตมันนิ่งจิตมันนิ่งเนี่ยไม่ใช่การปฏิบัติที่ถูกหรอกจิตไม่ใช่ว่าปราศจากความรู้สึกถ้าปราศจากความรู้สึกเนี่ยเกิดจากการเพง่งเราไปเพง่งเอาจิตแล้วเราไปจ้องมากไปงั้นคลายการจงใจจ้องจิตออกไปให้ออกกระทบอารมณ์ให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่าไปประคองจิตให้นิ่งงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างคว่าอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาไม่ได้แปลว่าชาเยน็น จิตที่มีอุเบกขาแนละ้วก็ยังมีความเมตตามีความการุณามีอะไรอยู่ในตัวเองอย่างจะลงโทษลูกน้องเนี่ยมันจะไม่ลงโทษเพราะโกรธแต่รู้สึกต้องลงโทษจําเป็นต้องลงโทษลงโทษได้ไหมลงโทษได้แต่ไม่ใช่ลงโทษแบบไม่มีความรู้สึกนะลงโทษเพรรู้สึกเพาสมควรลงโทษความเมตตาเนี่ยจะไม่ขาดไปจากจิตถ้าหากจิตเย็นชาไม่มีความเมตตามีแต่อุเบกขาอย่างเดียวอันนี้ติดเพ่งแล้ว ดูอย่างครูบาอาจารย์เลยนะท่านมีอุเบกขามีอะไรพร้อมนะแต่ท่านมีกรุณาเยอะใช่ไ้ยไม่ขาดหรอกจนแต่ถ้าเมื่อไร่ใจเรานิ่งเฉยหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะแล้วเราบอกเราอุเบกขาไม่ใช่นะเราปิดเท่งไว้มันนิ่งแตกนะคลายลายการเจ้งหรอกคลนมัสการค่ะพระอาจารย์ ฟังซีดีของท่านมาประมาณสองปีก็ปฏิบัติอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยจะได้เรื่องอะไรมือเอาอะไรมาวัดล่ะก็ยังมีก็จะติดว่างๆแล้วก็หงหลงอะไรเยอะอะะถ้าถ้าจิตจะอยู่ในว่างรู้ทันมันกลับมารู้กายบ่อยๆถ้าติดว่างแล้วก็พอใจนะคือดูจิตที่ผิดที่หลวงพ่อบอกแบบที่หนึ่งะดูจิตผิดนะก็ไปติดว่างดูจิตผิดชนิดที่สองก็ไปประคองจิต ดูจิตผิดชนิดที่สามนะไม่เอาอะไรสักอย่างเลยนะอย่าไปประคองนะอย่างตะคองตื่นเต้นไหมเราตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นเวลาตื่นเต้นแล้วใจอยู่กับตัวเองหรือใจอยู่ข้างนอกดูออกไหมจิตเข้าฐานไหมไม่เข้าใช้ได้ รู้ว่าจิตไม่ถึงฐานใช่ได้นี่แหละจิตยังมันยังไม่ใช่ตัวผู้รู้ไงนะถ้ารู้ทันตัวนี้ต่อไปมันจะเข้าฐานเข้ามาเป็นตัวผู้รู้ก็ปฏิบัติไปเรื่อยเๆเฮ็ดกิเลสบ่อยไหมใช่ได้ น, ะนีแต่คอยรู้ทันจิตนะจิตไม่ตั้งมั่นจิตกระจายกว้างออกไปรู้ว่ากระจายกว้างเนื้อที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี่แหละนะเวลาเราหัดดูจิตดูจิตนะในส่วนเราไปติดว่าง ดูจิตไม่ได้ไปติดความว่างดูจิตเก่งสุดท้ายจะเห็นนะจิตนั่นแหละตัวทุกขนะ์สุดท้ายเห็นทุกข์นะไม่ใช่เห็นมีแต่ความสุขความว่างถ้าตัวนั้นไปติดก็หลมค่ะอืห<ะ>ลงก็ต้องมีเครื่องอยู่จะอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจอยู่อะไรก็ได้นะให้มันมีเครื่องอยู่สักอย่างมันจะได้ไม่หลงนานนะ่ะรัชกาหลวงพ่อค่ะวันนี้เป็นวันที่ได้มีว ฟังซีดีหลวงพ่อครบเดืเดอนพอดีค่ะได้มีโอกาสส่งกันบ้านก็เลยมีคําถามค่ะวา่าเวลาเกิดเวทนาที่ชัดมากๆค่ะจะจะรู้ได้ชัดแตทีนี้ก็จะเห็นเห็นตัวจิตที่รู้เวทนา เ, ออเห็นเวทนาเห็นกายออว่าเป็นคนละสวออ่วนแต่ทีเนี้ยพอเวทนาที่มันรู้ไม่ชัดนะคะ มันไม่ได้รู้แยกมันอย่างนี้คือเหมือนว่าจิตที่รู้มันอ่อนนะคะธรรมดานะมันไม่ได้รู้ได้ตลอดหรอทีแรกหัดใหม่ๆมันจะรู้ได้เฉพาะอารมณ์ที่รุนแรงอย่างเวทนาแรงๆหรือกิเลสโทสะแรงๆอะไรเงี้ยจะดูง่ายนะพอเวทนาเบาๆหรือกิเลสเบาๆดูยากค่อยฝึกไปนานก็จะชํานาญจะดูได้ต้องเพิ่มสมรรถนะคะที่ฝึกอยู่ตอนนี้พอใช้ได้แล้วนะสมถนรท แต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรทำเพื่อพักผ่อนจิตใจนะแล้วก็คอยทำสมถาแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะ่ะนี่เดือนเดียวเหรอฟังซีดีเดือนหนึ่งแยกขันได้แล้วเนาะ <c oughs> ไม่ธรรมดานะ <c oughs> เมื่อวานนะมีคนมาเล่าให้กูบาอาฟังบอกว่าเขาเปิดซีดีหลวงพ่อฟัง ตอนที่เปิดซีดีหลวงพ่อนะหมามาฟังด้วยอ๋อ เ, เราเพิ่งรู้นะลูกค้าของหลวงพ่อเนี่ยกว้างไกลามากเลยหมามาฟังคนในบ้านเนะี่ยไม่ชอบฟังธรรมะอยากฟังเพลงหมาเนี่ยฟังซีดีอยู่ทุกวันทุกวันกับเจ้าของฟังธรรมะวันหนึ่งเจ้าของบ้านเนะี่ยเกรงใจลูกหลานมาเปิดเพลงหมามโมโหเลยหมาไม่ชอบหมาจะฟังธรรมะ โออย่างนี้ก็มีนะเคยได้ยินนี่แหละ <ขอ S 1> แต่แตงว่ามีมีมีอีกคําถามอะคะ่ะหลวงพ่อเวลานั่งสมาธิล้ว่คะค่ะที่นี้คือเมื่อก่อนจะรู้แต่พองยุคแล้วแล้วมันเพ่งทีเนี้ยพ่อเปลี่ยนพอมารู้ดูที่จิตที่รู้พองยุกปะคะจะเห็นมันมันเคว้งคว้างมันจะไม่เห็นตัวเองนั่งะะ่ะค่ะไม่เป็นไรอันนั้นมันเข้ามาที่จิตแล้วมันทิ้งรูปไม่ได้ดูรูปละ ก็รู้ทันจิตไปจิตเว้งกว้างรู้ว่าจิตเคว้งคว้างจิตอยากหาที่เกาะรู้ว่าอยากปกติจิตจะเที่ยวหาที่เกาะเสมอนึกออกไหมทําไมเกาะ อ, อะไรรู้สึกเว้งว้างว่า ง, างเปล่าภาวนาใช้ได้ถ้าภาวนาเป็นนะจะเห็นในรูปธรรมนามธรรมานี้ว่างเปล่าพอบางคนเห็นรูปธรรมนำมารมว่างเปล่าแล้วนะบางคนกลัวนะบางคนรู้สึกเว้งกว้างเว้งว้า ง, างบางคนนะรู้สึกเบื่อมีหลายแบบนะ แต่ไม่ว่าจะรู้สึกเบื่อรู้สึกกลัวรู้สึกเว้งวางให้รู้ทันจิตไปเว้งวางก็รู้ว่ากำลังรู้สึกอย่างนั้นการนมันส ก, การหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาครั้งแรกออฟอนซิดีของพ่อมาประมาณสองปีแหละครับปกติเป็นคน<ฮ>ฟุ้งนะครับ<ฮ>แล้วฟุ้งนี่ก็กลับมารู้รู้บ่อย<ฮ>ตอนนั่งสมาธิก็จะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ ให้รู้ทันสินะนั่งสมาธิเนี่ยเคล็ดลับหลวงพ่อบอกไปแล้วต้องนั่งให้มีความสุขนะงั้นเราพุโทโธเราหายใจหรือรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่รู้แล้วบังคับกดข่มให้สงบถ้าพยายามบังคับจิตให้สงบจิตจะไม่สงบหรอกจิตจะอึดอัดนะงั้นถ้าต้องการความสงบนะพาวนาสบายๆ ส, สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ชั้นจะภาวนาตั้งใจอย่างนี้นะแล้วสงบง่ายครับขอวิหารของหลวงพ่อ คนที่ทำของหลวงพ่อก็ของหลวงพ่อสิอืครับเป็นคนช่างคิดไหม <c oughs> ช่างคิดครับเออช่างคิดนะสังเกตไหมจิตมันฟุ้งเก่งมันช่างคิดเห็นไหมกิเลสมันก็เกิดบ่อยให้รู้ทันจิตไปพระพุทธเจ้าท่านให้หลักนี้นะในหลักอภิธรรมสอนไห้บอกสําหรับคนซึ่งมีปัญหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยให้ทําความสงบก่อน แล้วดูกายหรือเวทนาสำหรับพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะให้ดูจิตนะดูจิตหรือธรรมานุปัสสนา้ของเราก็ดูจิตไปเราช่างคิดดูจิตไปแล้วต่อไปจิตจะค่อยๆเชื่องไม่สุฟุ้งมากนะจะค่อยๆสงบขึ้นทีหลังจะได้สมาธิตามหลังมาพุทคุณครับมรสการหลวงพ่ อ, อเคยเข้าคอร์ส คุณอ่าสุเมศสรรด ท, ท, ที่ที่ที่บางประกงขอขอแบบสิทธิ์เก่านะฮะก็ที่ปฏิบัติมาเนี่ยรู้สึกว่าแต่เดิมเนี่ยนะาอกมันจะแน่นนะะตอนนี้ค่อยโล่งขึ้นแต่ว่ายังติดเรื่องเรื่องปวดหัวนะฮะซึ่งว่าไม่แน่ใจว่ายังติดเพ่งอยู่หรือเปล่าไม่ น, น่อยนะเราไปแทรกแซงมันถ้ารู้ไปนะเห็นร่างกายมันปวดหัวใจเป็นคนดู ไม่ได้อยากให้มันหายด้วยมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนง้นสึกเก่าต้องเรียนอย่างนี้แหละไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยรู้ด้วยความเป็นกลางเป็นกลางไหมตอนตอนนั่งสมาธนะิแล้วก็หลังนั่งสมาธินี่จะเป็นกลางครับถ้าก่อนลนะ่ะก่อนไม่เปลี่ยนก่อนนี่บางทีจะหลงเข้าไปนะครับะให้รู้ทันเรานะใช้ได้อยู่ขอบรคุณครับ กราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สองปีกว่าเจ้าค่ะตามก็ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นเหมือนกับเข้าใจโลกมากขึ้นแต่เวลามีความทุกข์เจ้าค่ะมักจะไปปลอบใจมันนะคะทำให้เห็นทุกแบบไม่ไม่เห็นทุกแบบสุดๆนะคะ mm hmm. จะไปแทรกแซงโดยการปลอบใจมันนะคะแล้วความทุกข์มันก็จะเบาลงนะคะ อันนั้นเป็นการทําสมถระรมาฐานนะถ้าหากมีความทุกข์เกิดขึ้นหรืออะไรเกิดขึ้นแล้วเราเข้าไปแทรกแซงเขาอยากให้เ้าเปลี่ยนอยากให้เข า, เ า, เขา ห, หายไปเนี่ยนี่เป็นเรื่องของสมถะแล้วสมถานเนี่ยจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบแต่วิปัสสนากรรมฐานเนื้อรู้อย่างที่เขาเป็นเห็นไหมจิตจะทุกข์จิตก็ทุกข์ได้เองเราไม่ได้อยากทุกข์นะความทุกข์ก็เข้ามาดูอย่างนี้ปนไปเลย มาแล้วไล่ก็ไม่ไปเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับ<ช>นะงั้นวิปัสสนาเนี่ยจะดูเพื่อให้เห็นใจรักเจ้าค่ะแล้วมีอาการอยู่ครั้งหนึ่งอะคะ่ะคือกำลังเดินอยู่ไม่ได้ปฏิบัติอะคะ่ะแล้วมันก็มีความสุขโชยขึ้นมา อ, ม อ, มอันนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติหรือเปล่าเจ้าคะ่ะใช่การที่เราหัดรู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวนะทันทีที่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาโดยไม่เจตนา มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำว่าเบิกบานมันฝุดขึ้นมานะมันจะมีความสุขโฉยขึ้นมาแล้วมีความสุขทั้งวันเลยนะเดี๋ยวก็โฉยขึ้นมาโฉยขึ้นมาหัดใหม่ๆน่จะมีความสุขฝุดขึ้นมาเป็นระยะระยะแต่พอหัดมากเข้ามากเข้าปัญญาแก่กล้าเข้าไม่ฝุดแล้วความสุข <c oughs> จะเห็นแต่โลกนี้ทุกทั้งโลกเลยแต่ทันทีที่เห็นโลกเป็นทุกข์นะจิตอยู่ต่างหากนะจิตไม่ทุกข์ไปกับโลกนะ ไม่เข้าใจโรคแจมแจ้งในโลกมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของที่น่าติดอกติดใจแต่จิตมันถอนตัวออกจากโลกนะเห็นยิ่งเห็นทุกข์นะจิตมีความสุขที่ประณีตมากขึ้นไปอีกไม่ใช่ความสุขแบบโชยโชยเบือหวาลนะใช่ค่ะข้าพเจ้ารัศการหลวงพ่อจ้ะค่ะอ่าสําหรับตัวหนูเองนะคะได้มีโอกาสฟังเสียดีหลวงพ่อแค่สองเดือนแล้วก็ฝักครั้งเดียวและยืมเข้ามาฟังด้วยอ่า หลังจากให้ได้ฟังเสร็จแล้วก็เริ่มฝึกดูจิตตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกชอบอโกรธรักหรืออะไรเงี้แต่แต่มักจะลืมดูตอนมีความสุขซักครั้งเลยนี่แหละคือคําตอบให้โยมเนี้ยเทวดาภาวนายากค่ะ<ฆ>เพราะมันมีความสุขเวลามีความสุขจะเปลิน<ฆ>มันจะมีกิเลสตัวหนึ่งนะชื่อนันทิราคะความเผลอเพลินนะเพราะฉะนั้นเวลามีความสุขก็ไม่ค่อยดูเป็นทุกคนเลยค่ะแล้วก็เคยฝึก ตัวเองในเรื่องอสมาธิแบบตั้งมั่นนะนะคะแล้วก็ในขณะที่ฝุดนี้ก็จะเห็นแสงสีขาวบ้างฟ้าบ้างม่วงบ้างแล้วแต่เล่นแบบสงบค่ะฝึกแบบสงบเแต่ว่าค่ะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเรามีความสุกว่าเรามีความสุขกับภาวะตรงนั้นนะคะแล้วไม่ยอมจะออกจากตรงนั้นนะคะแล้วพอพอเราเป็นอย่างนี้ได้สักพักเริ่มกลัวค่ะพอหลังจากกลัวแล้วก็ไม่กล้าทําต่อเลยอะค่ะ ทำได้นะแต่ว่าจิตยินดีพอใจในความสุขตรงนั้นให้รู้ทันว่ายินดีพอใจจะไม่ติดถ้าทําไปแล้วมีนิมิตเกิดขึ้นจิตมีความสุขพอใจในนิมิตนั้นๆในสภาวะ น, นั้นแล้วไม่รู้ทันว่ามีราคะแทรกอยู่อันนี้ติดแล้วเมื่อไหร่หลุดออกจากตรงนั้นนะโทสะจะแรงพวกที่ติดสมาธิติดสมาธานะพอหลุดออกมานะีอารมณ์ร้ายกว่าคนปกติ เพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นมันนิ่งมากไปออกมากระทบอะไรนิดเดียวรู้สึกโลกนี้รุนแรงมากเลยเพราะฉะั้นถ้าพวกติดสมถะนะเวลาหลวงพ่อจะแก้นะหลวงพ่อต้องดูจังหวะให้ดีนะเพราะมีทางหนีทีไล <c> ่ <oughs> <c oughs> เดี๋ยวมเตะเอาอเพราะว่าอารมณ์จะร้ายร้ายเพราะอะไรเพราะเก็บกดมานานพราติดสมถะติดสมาธิหลุดเมื่อไหร่ร้ายเมื่อนั้นค่ะไม่น่าเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ขณะขับรถอยู่เนี่ยค่ะ เราก็ไปหลงคิดนะคะหลงคิดถึงสิ่งที่เราโกรธแค้ น, นะคะ่ะพอคิดเข้าคิดเข้าแล้วก็เริ่มโกรธขึ้นโกรธขึ้นแล้วก็ลายเป็นแค้นพอนึกขึ้นได้คําสอนหลวงพ่อว่าให้ให้ดูจิตตอนนั้นก็รู้แล้วตอนนี้กําลังโกรธละแล้ ว, ลวอารมณ์โกรธได้อยู่มันหายไปทันทีเลยะคะ่ะแต่ตอนที่หายแลยว้วตัวเองเนี่ยจะเกิดอาการาหมดแรงอะคะ่ะแขนอ่อนแล้วก็ขับรถต่อไม่ได้ต้องจอดยุดรถประมาณสิบห้านาทีอะคะ่ะถึงจะดีขึ้น<ๆ>ก็เลยไม่รู้ว่าเราเร า, เราทําผิด ขั้นตอนหรือว่ายังไงหรือเปล่าคะว่าควรจะต้องปฏิบัติยังไงตอนโกรธนั้นมันโกรธแรงมากไปมันโกรธจนโสมไม่มีนะเป็นผู้รู้จนสมไม่มีมีแต่โกรธจนสมอ่เราควรจะมีวิธียังไงคะที่ให้เราแบบไม่ต้องโกรธแบบนี้ค่ะค่ะไม่ันสั่งไม่ได้หัดรู้บ่อยๆต่อไปการรู้จะเร็วขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราปล่อยให้การคิดหลงตรงนั้นยาวเกินไปมมันโกรธนานไป กรดนานไปก็กระทบออกมาทางกายเวลาโกรดนะร่างกายเปลี่ยนแปลงน ะ, ะหัวใจเต้นแรงขึ้นเความดันสูงขึ้นเนอะถ้ากรดนานๆก็เพลียเลยขอบคณค่ะกราบธรรมสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้ง่วงนอนนิดหน่อยค่ะดีนะไม่ง่วงมากเราอมาลกแง่ดีต้องไงก็มัวมว ดูสบดูแล้วมันก็มัวมัวนี่อ้าวเวลามันง่วงมันก็มัวสิแต่ว่าเคยไปสวนสนิทธรรมเมื่อปีที่แล้ววันที่ส8บแปดเมษาค่ะของพ่อที่จัดเชียงดาวค่ะหลวงพ่อบอกว่าอยู่โล่งๆว่างๆไม่ทราบว่าตอนนี้เหมือนเดิมไหมล่ะก็ก็ก็มีพัฒนาการนะมันมีพัฒนาการไม่ได้ไปติดว่างๆ ก็รู้สึกตัวอยู่ในเงือน่ะค่ะดีก็ต่อไปก็ฝึกนะรู้สภาวะทุกอย่างที่เขาเกิดขึ้นจะรู้ด้วยความเป็นกลางนะยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันรู้ตัวนี้แหละค่ะพอดีก็มีเวทนาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นโรคคันหัวประมาณสองปีแล้วก็เลยฝึกกรรมาฐานวยการใช้ใช้ตัวเนี้ค่ะได้ดูเลยมั้ยลู คันก็อยู่ส่วนหนึ่งนะหัวก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งค่ะก็ไม่ได้ทุกกับมันนะคะก็กายมันมันคันที่กายกายเราไม่เกี่ยวหรอกไม่ได้ทุกกับมัต้อฝึกอย่างนี้นะทุกคนอ่ะมันจะฝึกให้ได้นะหัดแยกขันให้ได้ให้เห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านี้ยอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยากแนะนําให้ทุกคนทําให้ได้นะเพราะเวลาจะตายอ่ะ บางคนเวทนามันรุนแรงมันเจ็บปวดรุนแรงขึ้นมาเรามีโอกาสตายทุกคนใช่ไหมจะตายอีท่าไหนยังไม่รู้เลยเวลาจะตายอาจจะเวทนาแรงนะตั้งสติไม่ได้ตกอบายอย่างเงี้ยงั้นเราต้องพยายามฝึกตัวของเราเองทุกวันทุกวันแยกขันแต่กายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาความรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกขันอะอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งจะไม่ได้ฝึกเพื่อทนมันนะ คึกให้เห็นในแต่ละส่วนแต่ละส่วนทำงานของเขาเองไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้บ่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาเลไม ไ, ไม่มีหรอกทำภาวนาไปกับคุณก็คุ้นค่ะนำ้ำพิการค่ะหลวงพ่อหนูวันนี้ก็ขอขอพระคุณหลวงพ่อมากค่ะเพราะว่าได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีกว่านะคะแล้วก็รู้สึกว่ารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักรู้รู้จักเวลาเรากโกรธ เวลาเราโมโหเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยค่ะหรือว่าเวลาเราดีใจเวลาเรายิ้มกับคนอื่นแต่ในใจแล้วบางทีเราก็คิดอย่องอื่นอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนรู้สึกว่าโลกนี้มันเป็นสิ่งสวยงามอะไรก็ดีหมดเนี้ยค่ะแต่คราวนี้เราเริ่มเห็นว่ามันมันไม่ใช่สุขทุกอย่างทุกอย่างมันเริ่มจะเห็นว่ามันมีความทุกข์อยู่ข้างในเนี่ยค่ะแล้วก็ก็เริ่ม ที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มเข้าเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นมากขึ้นว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะค ะ, นะเดียวกันเราก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาปฏิบัติคือไม่ได้จริงจังไม่ได้นั่งสมาธิอะไรมากมายแต่ว่าจะใช้เวลาการทํางานเนะะี่ยค่ะเวลาเราคุยกับคนอื่นแล้วเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็จะมองอารมณ์นั้นหรือว่าเวลาลงโลหโอ้โหปอกร่างกายเราก็จะเริ่มเปลี่ยนเราจะเริ่มเกร็งเราจะเริ่มหนักจะ คือส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการปฏิบัติในชีวิตประจาวันซะมากกว่าจะนานนานทีจะนั่งสมาธิโดยการดูที่ลมหายใจค่ะส่วนใหญ่จะดูที่ลมหายใจเข้าออกให้ยาวแล้วก็รู้สึกสบายใจต น, นี้ค่ะแล้วก็จะดูที่อารมณ์ทาได้ก็ทำทุกวันดีๆน ะ, ะสมาธิยิ่งฝึกก็จะได้เอาไว้พักผ่อน แล้วไม่ทราบว่าช่วยหลวพ่อแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าต้องดูที่กายหรือว่าต้องดูที่จิตยังไงต่อไปดีคะ่ะเห็นอะไรเมื่อวันนั้นแหละหลวงพ่อบอกแล้วงไงไม่สําคัญหรอกว่าเห็นอะไรแต่ว่าถ้าเห็นถูกนะเห็นกายก็เห็นไตรลักษณ์เห็นจิตก็เห็นไตรลักษณ์เราจะดูไตรลักษณ์ต่งางแต่จุดสําคัญเลยถ้าหากเราทิ้งสมถะไปเลยนะใจจะไม่ค่อยมีแรง งั้นทุกวันเราต้องมีวินัยในตัวเองแบ่งเวลาไว้สิบนาทีสิบห้านาทีอะไรไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ทํา ท, ทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิไปนะทําสมาธิวันนี้สงบก็รู้ว่าสงบวันนี้ไม่ยอมสงบก็อย่าไปว่าเหมือนฝึกนะทุกวันมันก็สงบเองเลยขอบคุณค่ะกลับนามส ก, การค่ะยังตื่เต้นอยู่เลยค่ะพอรู้ว่าได้มีโอกาสได้มาถามมาส่งกันบ้าง ถ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้อ่านหนังสือแล้วก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมามากกว่าหนึ่งปีแต่ว่าการภาวนายังไม่ค่อยต่อเนื่องบางทีก็รู้ตัวว่ามันขี้เกียจนะคะ mm hmm. ค่ะบางวันก็รู้สึกเข้มแข็ง mm hmm. ค่ะตะกี้นี้ขณะนี้ก็ยังตืนต่นเต้นก็ตะกี้ก็ตืน่นเต้นมาตลอดก็นั่งดูความตืน่นเต้นอยู่ค่ะก็เลยอยากจะกราบน้ำมการเห็นธรรมเพราะว่าที่ ภาวานาอยู่ขนาดนีน้เป็นหลงไๆด้างคะ่ะก็ดีนะภาวนาทุกวันนะ่ะดีแล้วคอยดูไกลยเขาทํางานดูจิตเขาทํางาน<ม>เราเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆนะต่อไปเห็นโลกนะก็คะแค่โลกเท่านะั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะคอยรู้ทันใจของเราแต่ จ, จะค่อยๆ ค, ค, คลายความยึดถือในสิ่งต่างๆออกเราก็ไม่ทุกข์เพราะอะไรมันทุกขึ้นมาเข้าใจเราเข้าปียา แต่ถ้าใจมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวแล้วความอยากมันก็ไม่เกิดขึ้นใจนก็ไม่ทุกข์ก็รู้สึกว่าช่วงหลังๆมานี่ความทุกขมันค่อนข้างจะลดลงก็มีความสุขขึ้นนี่แหละภาวนานะเรารู้ทันใจของเราตัณหาเกิดตัณหาทาให้เกิดทุกข์ความอยากอะความอยากแต่เราอยากตลอดเวลานะทุกคนอนะเดี๋ยวอยากดูอยากฟังอยากโน่อนอยากนี่ ทันทีที่ความอยากเกิดนะใจจะถูกบีบคั้นนะใจจะทุกข์นน ะ, จจะนะี่โยมมีสติปัญญาเร็วขึ้นเร็วขึ้นใจอยากนิดนึงก็เห็นนละ้วความอยากหายไปใจก็ไม่ทุกขก์ค่ะก็ยังในชีวิตประจําวันยังยังมีสติน้อยไปหน่อยค่ะจะค่อยจะเลืม่มบางทีก็ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะล้างชามแล้วก็ยังมีสติมันก็ลืมล้างชามจนเสร็จแล้วพึ่งนึกได้บางทีก็ตั้งใจเออเดี๋ยววันนี้ทานข้าวนี่จะให้มีสติ ก็ทานจนอิ่มไปแล้ว<ม>จนนึงนึกได้ <laughs> <ม>ค่ะแล้วแต่นี้ก็อยากจะนะมรสการเรียนถามก็คือเป็นการออกกำลังกายโดยลำวยจีนนะคะ<ม>ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอันอนี้ก็เป็นอิริยาบทหนึ่ง<ม>ถ้าหากว่าเราดูกายเราไปขณะที่เราได้ลำวยจีนกไ็ได้ได้ได้ลองทำดูมไม่ทราบว่าหลวงพ่อ ที่คือยนทำอยู่นั้นเป็นอย่างไรบ้างร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะใช้ได้หมดอ่ะแต่บางวิชานั้นมันฝึกลมปราณฝึกไรแทรกเข้าไปด้วยนะทีเพลื่มไปเลยก็มีนะต้องระวังแต่ถ้ารมวยจีนแล้วก็มีความรู้สึกตัวอยู่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างนี้ใช้ได้แล้วที่ดิฉันทําอยู่นี่ใช้ได้อย่างไหมใช้ได้นะคะดูบ่อยบ่ยนี่มาแสดงค่ะ หั บ, บนมัส ก, การหลวงพ่อนะคะลูกก็ปฏิบัติตาแนวสติปฐานสี่อยู่นะคะทีนี้เนี่ยเดิมดูเวลาลูกปฏิบัติจะเพ่งแล้วก็มันรู้สึกกดแล้วก็หนักหนักแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยแม่ชีที่นับถือกันนะคะท่านก็เอาซีดีหลวงพ่อมาให้ลูกฟังหลวงพ่อเมตตาสอนว่าไม่ให้กดหรือว่าเพ่งลูกก็เลยปล่อย แล้วเริ่มสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเราโกรธตั้งแต่เริ่มโกรธจนมันค่อยๆคลายไปอะค่ะทีนี้มันมีจิตอีกดวงหนึ่งที่เห็นอารมณ์โกรธนั้นแล้วก็มันรู้สึกขำแล้วก็ยิ้มว่าไม่รู้จะโกรธไปทําไมแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างมันมีแต่สมมุตินะคะหลวงพ่อถูกแล้วแล้วทําให้เรารู้สึกเบื่อแล้วก็ ไม่รู้ว่า ม, มันมันมีจะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่ออันนั้นให้รู้ทันใจที่เบื่อเมื่อกี้หลวงพอ่อตอบใครคนที่รู้สึกเวงกว้างเนี่ยนะ <Okay. S 2> บางคนก็กลัวบางคนก็เบื่อบางคนรู้สึกเวงกว้าง <Okay. S 2> เบื่อรู้ว่าเบื่อเบื่อก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่แทรกเข้ามาในจิตเตอานั้น <Okay. S 2> เหมือนกับความรู้สึกโลบปลดหลงอื่นอื่นอะไรรู้ทันอย่างนั้นแหละ okay. แล้วก็อีกข้อนึงนะคะ เวลาที่กําหนดพองยุบอยู่นะคะลูกดูอาการที่ท้องพองยุบพอกําหนดไปสักพักหนึ่งจิตมันมีความสุกว่ามันรวมกันเข้ามาแล้วมันก็หายไปเลยอยะคะอ่ะได้สมาธิอันนั้นมันคือสมาธิชนิดที่หนึ่งที่หลวงพ่อบอกอะจิตเราแนมอยู่กับท้องนะสงบลงไปอยู่ที่ท้องอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วสดจิตก็รวมบางทีโลกนี้หายไปทั้งโลกเลยมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะ ค่อยๆฝึกไปเห็นร่างกายพองร่างกายยุบจิตเจ็นคนดูฝึกตัวนี้ให้ได้นะที่จริงอย่างที่หลวงพ่อบอกนะ่ะที่เทศมานะว่าจริงๆดูจิตไม่ใช่วิธีต่างหากหรอกนะแต่ว่าถ้าเรารู้การดูจิตเนี่ย<ม>เราจะฝึกจนจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วไปดูทำกรรมฐานเห็นพองยุบนะก็จะเห็นร่างกายพองร่างกายยุบไม่ใช่เรานะอะไรกรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะจะเห็นว่าตัวเราไม่มี นั่นอยู่ที่เราฝึกจิตให้มีคุณภาพพอไหมอ น, นั้นจิตไม่มีคุณภาพพอจิตไปรวมเข้าไปกับท้องจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งก็หลักของสมถะบาทีจิตรวมดีๆโลกนี้หายไปเลยแล้วก็สบายออกมาอารมณ์ร้ายกว่าเก่าอีกอกูเก่งกูเก่งออกมานะ้ะพยายามต่อไปค่ะคต้องสู้ต่อไปรำลึการค่ะ อพอดีโยมได้ฟังเทปแล้วก็อ่านหนังสือของอท่านอาจารย์มาสี่ปีค่ะแล้วเมื่ อ, อประมาณสิงหาปีที่แล้วไม่สบายมากก็ได้คือไม่สบายจนกายเขาคงจะพักของเขาเองก็ดูแต่ลมหายใจไปจนเกิดสภาวะที่เห็นเวทนามันหายไปนะคะแล้วก็เริ่มสบายและเหลือแต่ลมหายใจ จนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนเนี่ยค่ะก็เกิดอาการที่มันเหมือนมันตายไปเลยคือมันดับตายไปของกันหมดแล้วก็ก็เห็นก็ตอนแรกคิดว่าหัวใจวายค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปของจิตคือมันจะมีอาการหมุนอยู่ตลอดเวลาค่ะหมุนตรงไหนหมอนไป หมุนไปทั่วบางครั้งเข้ามาอยู่ที่ฐานนะคะแล้วก็บางทีไม่ได้หลับเลนะคะบางครั้งก็หมุนแรงอ่าบางครั้งหมุนแล้วก็มันจะมีสภาวะเกิดขึ้นนะคะเราก็ดูสภาวะที่เกิดขึ้นเข้าก็ดับไปแล้วก็บางครั้งก็หมุนจนเล็กเหลือนิดเดียวเปลี่ยนใหม่นะอย่าไปดูที่หมุนที่หมุนไม่ใช่จิตเราหรอกคือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเพราะฉะนั้นถ้าไปเห็นหมุนแล้วใจพอใจหรือว่าพอใจ ใจสงสัยหรือว่าสงสัยหมุนแล้วกลับมาดูที่ใจนี่ตัวนั้นาหายไปแล้วช่วงหลังเนี่ยหมุนเขาเขาจะห่างไปแต่จะเจอว่าสภาวะที่เขาเคลื่อนไปค่ะจะเจอาทางกายเขาก็เคลื่อนไปเป็นที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดใหม่ไปเรื่อยๆให้ใจอยู่ตะหากนะใจะอย่าเคลื่อนไปที่กายใจเป็นคนดูแยกออกมาก็จะอยู่กับสภาวะที่ตอนหลังเนี่ยเหมือน เข้าใจว่าตัวเองผิดปกติเหมือนอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งจะเห็นเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่รู้คู่กันไปนะคะบางครั้งเนี่ยนั่งดูอคอมพิวเตอร์อยู่อยู่ดีเขาก็ตัดชารปให้หยุดหยุดแล้วก็มานั่งนั่งดูมัมนจะมีสภาวะเกิดขึ้น อ, อ, อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ของโยมนะต้องย้อนเข้ามาให้ถึงจิตค่ะ เช่นเกิดสภาวะอย่างนั้นแล้วจิตมันรู้สึกยังไง ร, รู้ทันความรู้สึกของจิตค่ะพอตรงนั้นพบมันจะอยากเข้าไปนั่งอะค่ะนั่ง น, น, น่ะให้รู้ทันอยากค่ะไม่งั้นเราจะหมัว ย, ยุ่งกับอาการค่ะไปยุ่งกับอาการของจิตมันไม่ใช่ตัวจิตจบอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นอย่างตัวหมุนนี่เราก็จะรู้ว่ายิ่งรู้ว่ามีผู้ดูใช่กับตัวหมุนเขาก็ยิ่งหมุนใช่ ไม่เอาอย่างนั้นอะถ้ามันหมุนขึ้นมาแล้วใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้เข้ามาที่ใจเราค่ะแต่เข้ามาถึงใจแล้ให้ความรุงแต่งขอเนื้อหายไปอ๋อค่ะแล้วเวลาเขาไม่หยุดนะคะตอนกลางคืนนะคะบางทีอยากให้เขาหยุดเขาบางทีอยากบางบางทีบางทีมันไม่ไหวค่ะะให้รู้ทันเลยใจมันรำคาญแล้วค่ะให้รู้ที่ใจไม่จะเปรู้ที่หมุนหรอกค่ะะของโยมจับหลักให้แม่นนะค่ะไม่ว่าไปเห็นมันหมุนๆนะรู้ทันที่ใจ อย่าไปดูหมุนคค่่ะะดูผิดตัวอ๋ให้ย้อนเข้ามาที่ใจใจไม่ชอบแล้วใจกลุ่มใจอยากจะหลับแล้วนี่หมุนอยู่ไม่เลิกลาคาญค่ะเนยรู้ลงไปที่ลาคาญนี่เรนนี่ถึงจะเรียกว่าเราดูจิตเป็นค่ะแล้วก็จะต้องถ้าดูตรงนั้นแล้วจะต้องทํำไงต่อไปก็ดูไปเรื่อยๆไม่ว่ารู้ทันจิตไปเรื่อยๆไม่ได้ดูหมุนหมุนนะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเอารู้ทันจิตไป นามสการค่ะหลวงพอ่อคือวันนี้จะมาส่งการบ้านเพื่อต้องการให้ อ, อยากเจอผัสสะที่แรงๆเนี่ยค่ะให้ให้จิตเนี่ยมันมันหลุดออกจากภาวะที่กำลังเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะรู้ว่าอยากสิค่ะ <c oughs> มันก็หลุดเลยนะถ้ารู้ว่าอยากคือก่อนหน้านี้ค่ะหลวงพอ่อมันจะเบาสบายโปรงโลภ ม, มีความสุขค่ะแล้วก็ไปเห็น การเกิดดับที่ชัดเจนขึ้นเวลาหลงไปจะเห็นดับแต่เวลาแต่เวลาที่มันมันตั้งอยู่มันจะเห็นตั้งแต่เกิดแล้วก็ดับของความคิดบ้างของร่างกายบ้างเนี่ยค่ะเสร็จแล้วพอพอเห็นไปบ่อยๆเนี่ยค่ะมันเฉยๆค่ะเฉยๆเฉยๆแบบไหนเฉยๆแบบมีความสุขอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันเฉยเฉย คือพอได้ข่าวอะไรที่มีน่าจะสุขได้กว่านี้น่าจะยินดีได้กว่านี้มันกลับเฉยๆค่ะเพราะเราไม่ได้หลงโลกแนละ้วเรารู้จักโลกแนละ้วว่าโลกเนี้ยไม่ไม่คงที่งนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะมันก็ดูแล้วจืด จ, จืดจืดจืดเป็นหมดเนะอะไรก็จืดแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนกล้ากล้ า, ากลัวๆค่ะหลวงพ่อนั่นแหละมันไปในภาวะที่เราไม่เคยเคยชินค่ะเป็นสภาวะที่เรายังไม่รู้จัก อย่างกลัวอยู่ค่อย่ากลัวเลยดูแล้ววางไปดูแล้วไม่มีอะไรหรอกโลกนี้ไม่ได้น่ารักอย่างที่เราคิดหรอกมีแต่ทุกข์นะถ้าเข้าใจจริงจิตมันวางแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าถ้าวางไปแล้วไม่ยึดกายไม่ยึดใจแล้วจะปโปรดที่ไหนยังไปกลัวตรงนี้สุดท้ายก็คือลึกลงไปเลยคือมันยังรักตัวเองอค่ะูะให้รู้ทันว่าใจยังรักตัวเองอยู่ค่ะนมันสการค่ะหลวงพ่อ คือตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะก็ปฏิบัติมาประมาณเจ็ดถึงแปดปีค่ะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตโดยที่ว่าไม่รู้ว่านี่คือการดูจิต<ม>จนกระทั่งได้ฟังซีดีของพ่อ<ม>จึงได้รู้ว่าอ๋อที่เราเห็นได้พบอะไหลายอย่างนั่นคือเรียกว่าการดูจิต<ม>แล้วก็เป็นการปฏิบัติ ด, ด้วย<ม>แล้วเ อ, อมาเห็นการเกิดเห็นกายเวทนาจิตแยกส่วนก<ม>ันตอนที่นั่งสมาธิค่ะ แล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆตามรู้ตามดูมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดรู้สึกว่ารู้วจิตเรียกว่าใส่เก้วว่างค่ะแต่ว่าว่างไม่เป็นกลางออไม่ทราบ ว, ว่าปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างค่ะดีฉลาดที่รู้ว่าไม่เป็นกลางค่ะบางคนภาวนาเนพราว่างแล้วก็พอใจก็เลยติดอยู่ในว่างก็รู้ขอโทษค่ะก็รู้ว่าว่างแล้วก็รู้ว่าไม่เป็นกลางแต่ก็ เ, เ อ, อจากที่ฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้ตามรู้ไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเราดูต่อไปเรื่อยๆดีกว่าให้รู้ทันจิตนะ <c oughs> ตามรู้ไปเรื่อยๆหมายถึงตามรู้ทันจิตไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่ไปดูว่างนะค่ะค่ะไม่ไดูดนะว่างไปของถูกรู้ค่ะ <c oughs> ไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะเมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะเราก็ดูสภาวะอะไรเกิดขึ้นกับใจนะรู้ทันไปเรื่อยๆแล้วเห็นไหมทุกอย่างชั่วคราว เห็นค่ะต่อไปปัญญามันแก่กล้านะสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวกุศลนกุศลชั่วคราวหมดเลยค่ะเริ่มเห็นหรือยังเริ่มเห็นแล้วค่ะเบื่อหรือยังเบื่อแล้วเบื่อแล้วให้รู้ทันว่าเบื่อพระพุทธเจ้าเคยสอนนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหนายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นค่ะเราหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วค่ะงั้นเราภาวนามาได้เนี่ยเห็นตามความเป็นจริงแล้วเห็นทุกอย่างมันเกิดแล้วดับ มันก็เบื่อค่ะใช่แล้วก็โลกมันก็จืดแล้วรู้สึกไหมมัคลายเบื่อหน่ายมันก็คลายกำหนักถ้าคลายจริงๆนะปล่อยจริงๆก็หลุดค่ะก็หลุดออกจากโลกนั้นไม่ใช่บ้าแบบหลุดโลกนะคุณเลือกนั่นแล้วในขณะเดียวกันเราก็สามารถใช้ใช้สติช่วยแก้ปัญหากับคนที่เขามีความทุกข์ได้โดยที่เราปัญญาเกิดโดยที่เราไม่ได้จ่ายตอนก่อนหลวงพ่อเทศเนี่ยนะหลวงพ่อไม่มีสคริปต์นะค่ะไม่เคยมีหรอก เวลาเทศไปนั่งปุ๊บมก็เทศเองแล้วค่ะแล้วที่ช่วยเรียกช่วยช่วยให้คนที่ว่ากำลังมีทุกข์นั่นคือเราใช้ปัญญาในขณะนั้นโดยที่ว่าเราใช้พระธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นค่ะโดยที่ว่าไม่ได้ศึกษามา ก, ก่อนนะคะแต่ว่าต้องระวังอันนึงนะอย่าไปเพลิดเพลินค่ะเดี๋ยวช่วยเขามากๆเลย เลินเลยบางทีภูมิใจไปไม่ดีไม่ค่ะก็จะดูก่อนนะคะก็ก็จะนั่งดูนั่งรู้ไปก่อนดูทั้งตัวดูทั้งตัวเราแล้วก็รู้ตัวเองก่อนะคะบางคนลุยไปสอนคนอื่นนะแล้วมานะอ่านตาเกิดอย่นั้นไม่ดีค่ะงั้นปรับหลวงพโนโมธนากับพวกเราทุกคนนะสนใจฟังธรรมะมากกว่าที่หลงพคิดแล้ววันนี้ เราคิดว่าไปบ้านตากซหมดแล้วอ mm hmm. ย่างมานั่งฟังธรรมกันได้เยอะสุดสําคัญอยู่ที่ได้ฟังธรรมะแล้วต้องเอาไปภาวนาการปฏิบัติธรรมนะั้นจะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนกลาออ้ายืนยันนะถ้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทําเมื่อไร่ชีวิตจะเปลี่ยนความทุกข์จะน้อยลงความทุกข์จะสั้นลงเราจะรู้เลยว่าพวกเรามีบุญวาสนาที่ได้เกิดมาในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ไม่ใศา ส, สนาสอนให้งมงายในศาสนาที่สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลผู้ใดประพฤติตามปฏิบัติตามรู้ได้ด้วยตนเองเห็นได้ด้วยตนเองถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคนรอบๆตัวก็จะรู้สึกอย่างคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อนะส่วนใหญ่ไปทางครอบครัวแต่เดิมเขาไปคนเดียวคนในบ้านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงก็ตามไปไปเป็นครอบครัวเลยครอบครัวสุขสันตะ์ชีวิตมีความสุขมีความสงบ คนที่ทำงานก็เริ่มเห็นมันคล้ายๆเราจุดเทียนขึ้นดวงหนึ่งนะแล้วเราต่อเทียนไปอย่างคนอื่นมันไปตามธรรมชาติไม่ต้องฝืนเลยเรามีความสุขเรามีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองคนอื่นเขาเห็นได้เขาก็สนใจทำมากขึ้นมาถึงวันหนึ่งแสงสว่างมันก็กระจายออกไปทุกวันนี้โลกนี้มืดเหลือเกินเต็มไปด้วยกิเลสตัญหาในวันนี้พวกเราในในก็มาทําบุญแล้วนะเราให้น้อมใจ อุทิถวายพระราชกุศลให้พระเจ้าอยู่หัวกระลึกถึงครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงตามหาบัวนะต้องสิ้นแต่เมื่อวานอาจารย์มหาบัวเราไม่ต้องไปอุธิท้ห้ท่านหรอกนะแค่ว่าอนุโมทนากับท่านก็บุญ mm hmm. แล้วครับตั้งใจรับทร mm hmm. ยยถาวารีวหาปูราปาริปูเรนตีสาครังเอวามวไยโตทินังเปตานังปกปติ ยิชิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวาสมิชตุสัพเบพบูเรนตุสังกัปปจันโทปนรารโสยธามณีโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัตชตุสัปโรโคโววินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภาวะอภาิวาธนาสีริสนิจจงอุฏาปัจจายิโน จัตตาโรโธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังภะลัง